เจ้านี้เป็นเจ้าของคืนวันที่สิบสามธันวาคมอตอนภาคกรรมเราก็ได้ฟังกันหลายๆเรื่องผสมประสระีประสานเรื่องกรรมบันดาลบ้าง เรื่องเทพบรรดาลบ้างเรื่องปรมบรรดาลบ้างแต่ก็มาอยู่ที่ทำบรรดาลนะทีนี้เรื่องทำบรรดาล น, นี่ก็ยังไม่จบนะครั้งนี้ก็ต้องพูดให้จบแล้วก็จะได้ขึ้นเรื่องใหม่เพเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด เนเรื่องความขวัญที่เป็นจริงความขวัญที่เป็นจริงนั้นก็หลายหลายเรื่องมากมายมากมายเหลือเกินที่นี้ยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็จพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสที่ยังไม่ได้พูด แล่าก่อนเกิดําบรรดาลที่เกิดขึ้นมาที่มีพระเดชพระกุณท่านอาจารย์พุทธทาด ต, ตอนที่ท่านก้าวท้องแม่ไม่ได้ฝันแต่ว่าที่คือท่านอยู่ที่ภูมิเรียงภูมิเรียงตอนนี้ก็ ไม่ได้เป็นอำเภอเป็นตำบลภูมิเรียงเมื่อก่อนเป็นเมืองภูมิเรียงเมืองชั ย, ยาเพราะทางเรือก็เจริญเมื่อก่อนง่นนพาพอทางบกเจริญคนที่ภูมิเรียงก็ย้ายไปอยู่ที่สถานีรถไฟในสมัยที่ภูมิเรียงเจริญแล่ก็คงจะด้อยลงมาบ้างแล้ว ทีนี้ครอบครัวของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสพ่อของท่านเออพ่อของท่านเป็นคนจีนชื่อนเชียงแม่เป็นลูกกำนันชื่ออะไรลืมชื่อแล้วอยู่ท่าฉางท่านก็ขายของชำที่ร้านขายของชำ ท่านก็เป็นเด็กวัดประจำเป็นเด็กวัดก่อนที่ท่านจะคลอดก็มีสมปานหรือพระที่เชื่อถือกันได้ในตำบลภูมเรียงนั้นนิมิตนิมิตขึ้นมาอีกแล้วเห็นไห ม, น, มนิมิตว่าเมื่อคืนมีช้างเชือกหนึ่ง ไปแทงตู้พระไตริดกจนยับเยินหมดหนังสือหนัง ห, าห่าเลยยับเยินหมดท่านก็ทำนายเองท่ท่านท่าน ท, า น, ทนายเองท่านก็เลยถามตอนเช้าไปบินทบาทถามว่าว่าคืนมีลูกใครเกิดมั่งก็เกิดสองคน ท่านอาจารย์พุทธทาสคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกของปหลัดหรือของอะไรเขาเป็นเจ้านายนี่เห็นไหมหลอกหลอกนี่หลอกหลอกแล้วออกมาศอกออกมาสองคนที่เป็นประหลัดน่ยคือที่หลังท่านก็เป็นประหลัดกิ้วชื่อปลัดกิ้วหรือปหลัดจิ๋ว เขาก็ปร ะ, ประครบประงมกันอย่างดีเลยแต่ตามที่จริงประหลัดเจิ๋วนั้นเป็นตัวหลอกท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นตัวจริงเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติรราตทีนี้เมื่อหลอกอย่างนั้นจนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นก็เป็นประหลัดเจิ๋วดูเรียนจนเป็นประหลัดขิ๋วแต่ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านก็เป็นพระเงื่อมเป็นพระเงื่องพระเงื่อนก็ตั้งใจในการศึกษาเรียนปฏิบัติธรรมสนใจมากเขาเข้ามาอยู่กรุงเทพถ้ามาอยู่กรุงเทพมาเห็นมาเห็นความไม่มีระเบียบเรียบร้อยของพระกรุงเทพก็กลับไปบ้านกลับไปอยู่บ้าน อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหาสำนักอยู่อยู่ที่ภูมเรียงนะท่านอยู่ที่ภูมเรียงเป็นวัดร้างสิบปีปฏิบัติอยู่ที่นั้นเลยสิบปีทีนี้ถ้าดูประวัติหรือดูที่ท่านเขียนที่อะไรเนี่ยรู้ธรรมะมาตั้งแต่น้่นที่อยู่ภูมเรียงนุ่นแล้วก็ย้ายก็ย้ายก็ย้ายออกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย ท่านก็เลยหาสถานที่ใหม่มันไม่สะดวกที่ภูมิเรียงคนไปมาจากกรุงเทพก็ไม่สะดวกงัตรงนั้นมันก็มีพวกอิสลามมากท่นแบ่งเขตกันอยู่ที่ภูมิเรียงอิสลามซีกหนึ่งไทยพุทธซีกหนึ่งท่านก็เลยไปตั้งตัวที่วัดสาลาทึง วัดศาลาตึงก็คือเรียกว่าวัดตลาดวัดตลาดเทนี้ก็กำลังที่จะสร้างศาลาท่านก็ไปหาไม้ทีนี้พไไไนนอไปหาไม้อมาทำเสาทำนั้นทำนี้ไปที่โน้นนั้นที่จวนโมกนั่นแหละพอไปหาไม้หาเลยมาทำศาลา ท่านก็จะรู้ข่าวว่าที่ดินที่ตรงนั้นเขาขายที่ดินประมาณทัเปดไร่ที่อยู่ข้างหน้านั้นคือจะซื้อข้างหน้างี้ข้างหลังก็ได้หมดเพราะมันเป็นภูเขามันเป็นอะไรจะได้หมดอ่ะหมดกดซื้อไปซื้อใช้เงินก็ 4ี่หบบาทในสมัยนั้น450บาทท่านก็เลยย้ายมาเลยย้ายมาตั้งหน้าตั้งตามานี่ท่านก็ลําบากท่านอาจารย์พุทธตาท่านก็ลําบากทีนี้หลวงพ่อเองนี่ก็ามาอยู่กับท่านเมื่พอพศสองพัห้า บวชครั้งก่อ น, นเกปีเกปีนี่เตรียมพร้อมนยภาคติดสตีแต่แล้วจะเก้าภาคปฏิบัติก็หาดูว่าพระองค์ไหนที่พอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ดูแล้วก็เราก็อยากดู อยากบวชกับพระที่เป็นพระอราหันต์มันอยากอย่างนั้นตอนนั้นก็เลยพออ่านหนังสือคู่มือมนุษย์วันที่ห้ามิถุนายน 2,505 หขึ้นรถไฟมาเลยมาลงสวนโมมาลงที่ชัยยามาถึงก็เดินถูรูถู ก, กังมา ขึ้นรถมันได้ครึ่งหนึ่งเสียค่ารถสามโลเครื่องมันสามบาทสามโลเครื่องในสมัยนั้นสมัยจอมพลชลิดก็ในรเทศออกข้างนอกก็ เ, เลยไปตกอยู่ที่ชายามัง่งเอามาถามรอเครื่องสามบาทเดินต่อมาวัดก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่กลัวทางนั้น ใจรู้สึกว่ามันก็โล่งโล่งยังไงก็ไม่รู้แวเราก็อยู่ในเมืองที่เจริญเจริญอยู่กรุงเทพอยู่หาดใหญ่อยู่พัตลุงก็อยู่ในเมืองทางนั้นพอลงที่สถานีชายาแป๊บเดียวคนหายหมดโอ้ยดูหน้าดูหลังอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าสวนโมกอยู่ทางไหน ก้าวไปในร้านกาแฟเสร็จแล้วให้ดื่มกาแฟดื่มเป๊ปซี่ไปก็ถามถ่ายเขาถวรรคนโมกอยู่ทางไหนเขาก็บอกล้าก็ไปรถนั่นได้ครึ่งทางลงจากรถอไปดูไปทางไหนอีกมางเงินเด็กนักเรียนนะ่ะ เลิกพอดีสามโมงครึ่งก็ได้พลอยเดินอัปเด็กนักเรียนพลอยเดินก็ไปไม่ถึงวัดดิพอถึงบ้านมันมันก็จอดนะยก็กข้าวบ้านมันอ้าวเราก็ไม่รู้ไปทางไหนอีกไอ้ชองก้างทางกลก็รกคิดถึงเสือขึ้นมาทันทีมันลกกทำไมน่นมันล็กไม่มีบ้านมีช่อง ไปไปก็บพบทางทางขวามือ ấy, เฮอนกุตติมีจีวรเป็นสำหรับบงังฝนบงังแดดก็วัดแน่แล้วตรงนี้วัดแน่แล้วเข้าไปไปถึงก็พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านนอนอยู่ข้างหน้านอนเอนบน เอาอิโยกเาอโยกไม้นะ่ะเออพอไม่ได้คิดว่าท่านนอนต่านตอนรับเราหรอกท่านก็นอนสบายสบายก้าไปหาท่านบอกว่าจะมาอยู่ที่นี้จะมาขอบวชท่านบอกว่านไม่มีกุติไม่มีกุติก็ไม่มีจริงๆไนะ ไม่มีกุติก็กราบเรียนท่านว่าแต่โซ่หัวน้อยนอนที่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นกลาตั้งใจมาอย่างนั้นเนี่ยและก็อยู่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปงานแรกที่ท่านมอบให้กรมคนงานยี่สิบสองคน จ้างโรงพยาบจบทางวิญญาณงานที่ประจำอีกงานหนึ่งรับแขกตัวประเทศไทยคนโน่นคน น, น, ค น, นี้คนนั้นไปรับแขกก็หลวงพ่อขายป้ามาแล้วเลยรับแขกคนจะลำบากอะไรเราก็รับแขกทุกวันรับแขกแต่รับแขกแล้วไม่ใช่ทิ้งนะโน่นถ้าแขกผู้ใหญ่ด้วยต้อง หรือ ว, ว่าแขงไม่ผู้ใหญ่ก็ต้องไปรับที่สถานีรถไฟ4ี่กิโลครึ่งเดินกันไป4กิโลครึ่งจากตรวนโมกถึงสถานีชัยยานรับแข่แล้วก็ต้องมีสถานที่ไปจัดเรื่องสถานที่ห้องน้าห้องท่วมอะไรให้เขาจัดการให้เรียบร้อยแง่ไวพูดเรื่องอาหารการกิน ว่ามีท่านั้นคนทางนี้คนให้คุณทำมันก็มีเริ่มจะเปิดร้านอาหารขึ้นมาแล้วตอนนั้นเริ่มขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็พาข้าไปหาท่านอาจารย์พุทธทาส น, นี่คือมีสองงานอย่างนี้ที่งานควบคุมคนงานเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าทีละครเสร็จ คนงานพร้อมก็ต้องดูจ้างหัวหนะ้าจ้างราคาแพงจ้างไม้ราคาแพงให้พวกกุลีนะ่ราคาไม่แพงหรอก12บบาทวันละ12บบาทพวกนั้นก็ดูไปดูไปบัญชีต้องมีทุกวัน คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นจนถึงคนยีสบสอคนนี้ทำวันนั้นได้เตานั้นคนนี้ทำได้ตานั้นตานั้นตานั้นเ่านั้ น, น, น, น, นหมดพอเลิกงานห้าโมงเย็ไปกราบเรียนท่านว่านี่ช่างนี้ทําได้ท่านี้คนนี้ทําได้เท่านี้ อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งว่าโรงหมอบลเราบทางวิญญาณหรือโรงหนังเสร็จเสร็จแล้วท่านก็ไปอินเดียมาเป็นเดือนสองเดือนไปกับเจ้าชื่นเจ้าชื่นสิโรรสวัตุโมงนะไปถ่ายรูปไปคน พุทธประวัติอะไรต่ออะไรหลายอย่างมากมายไปกับเจ้าชื่นโยมสุเดียสายคุณเป็นฉายแล้วก็ลูกสาวก็อยู่อินเดียก็ไปเรียนอยู่อินเดียเ้าไปบางทีท่านไปเดือนหนึ่งท่านไปเดือนโหเราก็ไม่มีอะไรจะกินกัน เอามะพร้าวเพราะมันมีมะพร้าวอยู่มากดวนมะพร้าวเก่าเอามะพร้าวนั้นมาขูดโยมชีจัดการแล้วก็เอาลูกจำปดดาลูกจำปดดาที่ยังไม่สุกเอามาต้มกับมะพร้าวหือน้ํากะทิทําเป็นกะทิก็กินกันอยู่ เียท่านกลับมาก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะ่พราดีแบบชวนโมกนั่นแหละแบบชวนโมก เ, เพราะว่าเราเด็กวัดอีกคนสองคนอุบาสกอีกสามคนต้องปันกันดินต้องปันันอาหารเหลือจากพระพระก็สิบแปดรูปเนนหนึ่งรูปทีนี้พอฉันเสร็จท่านก็บรรยาย บรรยายที่โรงฉันนไม่ลุกขึ้นหรอกบรรยายที่ตรงนั้นจนถึงเที่ยงบรรยายเรื่องอะไรคนถึงทรทำถึงคนนั่นที่ท่านบรรยายครั้งเล็กได้ฟังทีนี้พอเลิกจากนั้นก็ท่านก็บรรยายไปเรื่อยๆอบรรยายไปเรื่อยๆท่านก็คิดใหม่ทำใหม่ไปเรื่อย รัฐบาลไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ที่คิดใหม่ทำใหม่แต่ท่านอาจารย์พุท ธ, ธาทาสการคิดใหม่ทำใหม่บางทีมีญาติโยมไปจากตั้มแกรบโยมชีวาดไปไปตีงอยู่สิบวันส5บห้าวันเอาขนมไปสิบปียี่สิบปีเอาโน้นเอานี้ไปเป็นยังไง ว่าอยากจะเลี้ยงพระึ้นมาอีกเอา้าเลี้ยงพระด้านก็คิดใหม่ขึ้นมาอีกคิดใหม่ัม้นมันมีทางที่จะไปที่น้ำไหลก็เรียกว่าวัดทานน้ำไหลเพราะน้ามันไหลน้ำมันไหลเป็นลาธารเล็กๆ ก, ก็มีป่าต้นยางต้นยางเมื่อก่อนมันต้นแค่ข้อมือเอง เดี๋ยวนี้ไปดูต้นยางโอ้ยต้นโอบไม่รอบแล้วต้นเกียมเมื่อก่อนก็ต้นเท่าข้อมือตอนนี้ก็ใหญ่โตแล้วก็ตะปุ่มตะปเ่มเออหลวงพ่อก็ดูต้นเกียมมันก็แก่เป็นเราก็แก่เป็นถกลงนี้เราเป็นเกลือกันดีกว่าก็เมื่อก่อนว่ามันไม่แก่มันไม่มีตะปุ่มตะปั่มหรอกแล้วพอแก่แล้วก็ตะปุ่มตะป่ํา ทีนี้ท่านก็คิดขึ้นมาว่าเอาดักบาดสาติดตักบาดสาติด ก, ก็ให้เอาเสื่อไปเอาเสื่อไปแล้วก็ไปโปูที่เอาคือป่ามันก็กวาดกวาดกาดเลใบไม้ออกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วเพราะตอนนั้นหลวงพ่อว่างเขาไปตางไปตัดลูกไม้ตอนเล็กๆท่านก็บอกว่าต้นยางมันไม่ต้องตัดเพราะมันเยอะต้นยาง เว้นตอนอ้นยางเอาไว้ตอนอ้นยางนานเอาเชือไปปูพระก็นัองที่เชือเอาบาทไปด้วยตักบาทสาธิตตักบาทสาติตก็คือเจ้าภาพตักข้าวใส่ลงในบาทสามตับปีเจ้ามีแกงก็ตักแกงมีผักมีของหวานก็ใส่ขวาบาท ว่าบาทก็วางข้างๆทีนี้พระท่านก็สวดไปพรางสวดไปสวดไปโยมก็ตักไปพรางอย่างนี้มันไม่ลําบากไม่ลําบากเลี้ยงพระจากร้อยหนึ่งก็ไม่ลําบากดังนั้นในสมัยพุทธกาลเขาเลี้ยงพระต่งางร้อยแต่เลี้ยงพระอาร้อยแล้วมีญาต์อาร้ยถาดแล้มีต้วยในถาดด้ว จิบถ้วยจิบถ้วยจิบ้วยตายพอดีเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาท่านก็เลยทำตักบาทสาติตตามอย่างนั้นอ้อตรงนั้นมันไม่เหมาะบางทีฝนมันตกขึ้นไปบนศาลาโลงรงรทมเอาบาทไปวางที่ที่คนนั่งและพระก็นั่งอีกที่หนึ่งเอาบาทไปวางพอพระสวด ลงมือรับศีลรับพอ ร, รับอะไรกันเสร็จเรียบร้อยญาติโยมก็ตักบาตรอย่างนั้นนี่แหละตักบาตรตักบาตรพอตักเสร็จแล้วคือพระก็สวดอยู่ตักเสร็จแล้วเราก็ต้องนับดิพระสิบห้าองค์ไม่ใช่ต่างคนต่างยกไปยกไปองค์ที่หนึ่งบาทของใครองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าพราะอย่างนั้นจะจับเปลี่ยนกันหมด ต้องระวังต้องระมระวังเจ็แล้วพระฉันขอรพระฉันญาติ ย, ยอมก็ํำวัดเชา้าหลวงป้อกับพวกลูกศิษย์เสิร์ฟที่นี้รากฏเสิร์ฟแต่พระจะเอาข้าวเราก็ประเคนเข้าไปแต่ว่าประเคนไม่ใช่ประเคนไปทั้งหม้อมีหม้อข้าว แล้วก็มีทับพีมีทัปพีล้วก็เอาด้านที่มีทัปพีนั่นแหละประเครเขาไปเราก็ถือเอาไว้แต่ท่านก็เอาทับพีท่านจะเอาเท่าไหร่จุดแรกแต่ท่านท่านก็ตักเองนี่เสิร์ฟข้าวเสร็จแล้วก็เสิร์ฟแกงแกงก็ทำอย่างนั้นอีกแล้วท่านจะเอาอีกท่านก็ตักเอาเองนี่ตามความสะดวกทำกันอยู่อย่างนั้น พอต่อมาต่อมาสร้างโรงมาเอาศพทางวิญญาณท่านก็พัฒนาอีกสมองของท่านไม่ได้หยุดนิ่งเลยท่านอาจารย์พัฒนาอีกพัฒนาธรรมหินโค้งขึ้นมาพอทำหินโค้งขึ้นมาพระก็นั่งที่หินโคง้งก็เป็นานว่าลงตัวทีนี้ลงตัวลงตัวเวลามีวันเสาร์วันวันเสาร์เนื้อท่าจะพูดวันเสาร์ พูดวันเสาร์นี่ก็มีก่า ร, ราชการครัหลวงพ่อคิดว่าทำไมหลวงพอ่อท่านอาจารย์ถึงพูดวันเสาร์พ่อวันเสาร์ก่าราชการเขาโยดทีนี้ได้ทำไมท่านต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าปวันพระค่อยๆสาลวันสาลวันสาลวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลง ค่อยๆ ห, หมดไปหมดไปหมดไปเห็นใจไหคนนั้นตายมั่งเหลือแต่คนแก่จีคนห น, น้าคนสิบคนอย่างมากแค่นั้นสารวัวันแล้วสารวัลวันเตี้ยลงแล้วมันเตี้ยลงท่านก็เลยคิดใหม่ทําหม่อีกพูดวันเสาร์ท่านจะพูดวันเสาร์ทีนี้ตอนที่หลวงพอไปเริ่มสร้างสํานัก เพิ่มซะคนเน็ดเหนื่อยมหาศาลเลยไม่จะนิดหน่อยมีเวลาก็มากราบท่านตรงกับวันไฉวันเฉาท่านก็บอกออวันนี้เธอไปพูดเอนี่ท่านให้สิทธิถึงขนาดนี้กับหลวงพ่อแล้วสิทธิอันนี้ไม่ใช่ให้เจะพ่อเลยตอนเป็นพระนะ่ะ ตอนที่หลวงพ่อยังไม่บวชก็ออช่างก็มาเขียนภาพปริศนาธรรมท่านจะให้รูปไปรูปนั้นได้มาจากไหนอีกนี่พูดให้โยมเชียงใหม่ก็ได้รู้มั่งพอรงมาจบทางวิญญาณเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านก็คิดว่าเออทำปูนปั้นบุทธประวัติสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธรูป ก็เลยพระกบฝึกหัดกันตามที่หลังเขาโน้นหลวงพ่อก็จะสมัครด้วยแานบอกว่าเจอนะ่ะไปไม่ได้ก็เลยว้าวที่เดิมว้าวที่เดิมอที่นี้พอโอกาสถึงไม่โยมทางกรุงเทพคือยโยมอรุณวัดีนะเป็นผู้หญิงเขาก็รู้จักกับช่างเขียนภาพ คุณประสงค์ถ้าจำไม่ผิดคุณประยุนกับคุณประสงค์เขอโรงเรียนก็ปิดสิบวันท่านก็ไปช่วยไปช่วยกับหลวงพ่อกักุรีกุจอหานโนหน้านี้ให้เขาเอาถ่านไฟมักงอะไรบ้างเอามาร่างภาพทีนี้จนสิบวัน ก, ก็เขียนไปก็พอได้แต่ว่าเป็นภาพการ์ตูนการ์ตูนมากกว่า ป้าบันเตทะท่านก็เสียดายเหมือนกั น, นว่าครั้งแรกเราก็าคิดไม่ถูกมันเลยเสียพื้นที่ไปมากต่อมาอีกมีคนที่ก่อปังงนันคนที่ก่อปังงันมีพระพระเซนชื่อพระเอมมานูเอนชูแมน่านบวชที่ญี่ปุ่นแบบเซน แลก็มาอยู่กรุงเทพอยู่วัดสร้อยทองกับอาจารย์ประเดิมทีนี้ก็อาจารย์ประเดิมก็เอาไปให้อยู่ที่เกาะพังงานท่านอยู่ในต้มไ <c oughs> อนี่ท่านก็มีงานทําของท่านท่านก็ไอ้ไม้นั่นแหละไม้แก่สลักท่านก็ทําไม้แก่สลัก เป็นผ้าป ร, ริศนาต่ำเจ็ดแล้วก็เอามึกนะ่ยเอามึกไปตาตาตาตาตาาแล้วก็ปั๊มหมอกมาปั๊มหมอกมาปั๊มหมอกมาใครมาวัดท่านก็แจกเขปันะ๊มแล้วมันมันมีแม่ปั๊มอยู่ไม่มีปัญหาแล้วก็แจกไปแจกไปแจกไปแจกไปจนกระทังว่าโยมคนนั้น มาเยี่ยมท่านอาจารย์ที่เกาะพังงนันพอมาเยี่ยมท่านอาจารย์เอาน้ำพึ่งมาสิบขวดน้ำพึ่งรวงอะใจหลังมาก็กลัวน้าพึ่งรวงจะแตกเอากระดัษสานันนแหละเอาไว้ที่ก้นขวดหลายแผนทีนี้พอก็เอาปร ะ, ประเคนเสร็จอะไรเสร็จ้าของก็ไปแล้วต้านก็โรย แกออกมาดูเอาน้ำพึ่งรวงออกอะไรออกเนี่นี่กระดาษอะไรกระดาษสาพรามันมีภาพดีๆตั้งนั้นเลยเห็นไหมท่านก็เลยเอาภาพพวกนั้นเลยให้เขามาเขียนเอาเป็นแบบแล้วก็เขียนลอกลงไปที่ขวาผนังก็เรียกว่าเป็นภาพเซนเป็นภาพเซน ถ้าท่านไปสวนโมก็ไปศึกษาเองได้เลยนั่นคือภาพเสซนไอนี้ต่อไปพอมีแขกมาท่านก็ไปบรรยายแขกมาท่านก็ไปบรรยายบรรยายบรรยายประจำที่หลวงพ่อนี่เวลาแขกมาก็เพราะรแขกก็จะนัดหรือหลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านจะนัดว่าให้เขามาเวลาเท่านั้นเท่านั้นภาคจ้าเวลาเท่านั้น ก็พาก็มาสิบคนยี่สิบคน <c oughs> ก็ไปที่โรงหมอศพทางวิญญาณไอ <c oughs> หลวงพ่อก็คอยรับใช้และก็คอยฟังท่านอาธิบานหรือไปก็คอยฟังไปฟังไปฟังไปเพราะนานๆท่านก็บอกว่าเออนี่เธอพาแกกพวกนี้ไปเถอะเธอไปอธิบายก็ฟัง นี่ญาติโยมรู้อะไรด้วยพระทวนโมกยังไม่รู้เลยหลวงพ่อนี่อันดับสองรองจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสที่อธิบายภาพในโรงหมอจบทางวิญญาณทีนี้พอถึงวันเกิดของท่านเขาก็ประชุมกันก็พูดปีนี้ไปฟังไม่จริงพูดไม่จริงก็ไม่รู้เรื่อง พระโดยโยมมาที่หลังก็ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อนี่อันดับสองรองจากท่านทีนี้มีพระมาจากทิเบตสองรูปอง์หนึ่งชื่อว่าพระทุกเทนองค์หนึ่งชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วก็เอาภาพปฏิจจสมุ ป, ปะบาทแบบทิเบตมาถวายท่านก็แบบเอเชียเต่าเอเชีย เอซิตี่นี้มันพอดีกันอีกปีนั้นมีพระที่จบจากพ่อช่างท่านก็เขียนพวกการ์ตูนพวกอะไรอย่างเงี้ยอีนี้ก็ไปพูดกับพ่อว่าอืท่านจบพ่อช่างนะเขียนภาพได้ท่านอาจารย์จะให้ทําอะไรบ้างก็เลยไปกราบเรียนท่านท่านบอกว่านี่ตือเอากระดาษไป ให้เขียนมาดูถ้าเขียนงูตัวตรงดิ่งอย่างนี้งูตายอะอย่างนั้นงูมันต้องกดไปกดมากดไปกดมาทีนี้ก็เขียนง่ายเขียนลวดเขียนลายเขียนอะไรเขียนเสร็จแล้วก็เอาให้ท่านดูเพราะท่านดูท่านก็เออ พ, อพอใช้ได้ก็เลย ไปคุยกันกับท่านเนี่าท่านกอให้ภาพนั้นมาแล้วก็พูดกับหลวงพ่อที่ท่านบอกว่าเธอจะต้องนั่งดูอยู่ตลอดเวลานั่งดูตลอดเวลาต้องกํากับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่เหมือนที่ตรงไหนเธอก็บอกไปเลย ไม่ไม่ต้องไปไหนกันทีนี้นั่งเฝ้านั่งเฝ้าอยู่เดือนหนึ่งเต็มเต็มเดือนหนึ่งเต็มเต็มภาพปฏิจจธรรมุปบาทนึ่งพอต่อไปท่านก็บรรยายภาปฏิจจธรรมุปบาททีนี้ไอ้เรื่องจำํำหลวงพ่อก็จําแล้วปฏิจจธรรมุปบาทจําตั้งแต่เป็นเนนนั่นหากิน อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจะยวิญญาณังควายเกิดทุกจบแล้วก็ขึ้นขวายดับทุกอวิชชายาตะเววาเสตวิรากนิโรธาสังขารานิโรโตสังขารานิโรธานั่นขวายดับทำไมไม่จำเพราะหากินอยู่ประจําเวลามีศพเขาก็นิมนต์พระนิมนต์สามเณร ไปสวดจบไปสวดจบตอนที่อยู่พัตตลุงนั่นแหละไปสวดจบกันไปสวดจบก็ใน ม, มนตลพระหมดเอาไปทางไหนบ้านก็อยู่ทางไหนไปวัดไหนอยู่ใกล้ๆเดินเดินทางรถฟอยทางรถไฟนั่นแหละเดินไปทางรถฟไฟราวห้ากิโลสิกิโลเดินมาเดินไปถึงเลย ทั้งรอ้อนทั้งเหงื่อแตกก็จะไหวเท่าไหร่ส0บบาทส0บบาทก็เดินกลับตเดินกลับตมาถึงก็ซื้อสีกระป๋องหนึ่งสีเหลืองหนึ่งกระป๋องหาบาทซื้อชาเย็นเป็นหนึ่งกาสาบาท8บาทแล้วเหลือสองบาททำอะไร เรื่สูสันไลได้สองก้อนก้อนละหนึ่งบาทหมดแล้วหมดแล้วสิบบาทนี่ทีนี้ก็โดยนี่จำมาจำมาจามาปฏิจจสมุปบาทก็จำมาจากนน้นตอนที่เป็นเนนนีวางพื้นมาวางพื้นตัวเองมาอย่างนี้วางพื้นตัวเองเมื่อก่อนไม่รู้อาวิชาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอกตรวจไปอย่างนั้นก็ก็ให้ตรวจก็ต้องตรวจตรวจไปอย่างนั้นนกแก้วนกขุนทองไปก่อนทีนี้พมมาฟังพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส้วเราก็ค่อยๆรู้รู้รู้รู้รู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเน่ยเองดนั้นญาติโยมอย่าขี้เกียจต้องให้จาต้องให้จำปฏิจจสมุปบาทควายเกิดทุก ปฏิจจสมุปบาทควายดับทุกต้องท่องให้จำของพ่อก็เลยอธิบายอธิบายอธิบายพอท่านไม่มาก็ อ, อธิบายเองอธิบายอธิบายกันจนเก็บคอทีน่นี่โยมที่กรุงเทพสร้างเครื่องให้เครื่องน่ยก็พูดพูดก็ไม่ได้ดีถ้าที่ควรเรื่องจะไหมก่อน มันไม่ค่อยทันสมัยแต่ยังเก็บไว้เก็บไว้เป็นอนุสอนเรื่องนั้นมันเสียแล้วไม่มีอะไรดีแล้วเก็บไว้เป็นอนุสอนเอาไว้นี่ครหลวงพ่ออธิบายมาตั้งแต่นู้นนี่คือท่านไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าพอตอนเที่ยงท่านฉันเป็นเสร็จหลวงพ่อก็ต้องไปยกถาดทุกวันน่ะ ไปยกไปยกตาดมาท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะมาวางไว้แล้วหลวงพ่อก็ไปเอาที่ตรงนั้นกางวันท่านถามว่านี่เธอรู้จักไหมรู้จักไหมอันนี้อะไรบอกว่าไม่รู้จักครับนี่แหละแคนตารูปท่านว่านี่แคนตารูปคือแต่งจากต่างประเทศโตกว่าหัวหมัดหน่อยหนึ่ง ตอนนั้นลูกมันไม่โตแทนตะลุกในสมัยโน้นเดี๋ยวนี้เป็นว่าเล่นไปมากรุงเทพทุกทีฉันแต่เคนตาลูกไม่มีอะไรแต่ที่พัทรุงมีให้เลือกขนมมีให้เลือกผลไม้มีให้เลือกตอนนี้ก็มีเงาะมี롱ก ง, องไอ้กล้วย น, น้ําว้ากับส้มในนั้องตายอยู่แล้วประจำไอ้นั้นประจำํำนี่จะมีให้เลือก แต่ที่กรุงเทพไม่มีให้เลือกฉันก็มีแต่แคนตะรูปแคนตะรูปนี่แค่นั้นมีแค่นั้ น, ม น, นไม่มีมากไปกว่านี้ถ้าผักก็มีแต่ทัว่วผักยาวแตงกวาอืแค่นั้นก็มีแค่นั้นไม่มีให้เลือกแต่บ้านนอกมีให้เลือกจะเอาบัวบกจะเอาอะไรได้หมดได้หมดทุกอย่างนี่ คือเรียกว่าสมบูรณ์่างใต้นะมันสมบูรณ์ทีนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าของเราก็มีนิมิตท่านอาจารย์พุทธทาสก็มีนิมิตขอวงพ่อเองไม่ใจอวดตัวก็มีนิมิตแม่แต่ไปหาสถานที่นี่ ป่อติถานจิตเสร็จแล้วก็มีนิมิตมีนิมิตก็หากันหลวงพ่อนีิหากันตัวประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาวัดอุโมงคตอนนั้นมีพระที่ชวนโมกเนี่ยมาอยู่แต่ท่านก็อยู่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อก็ไม่ใช่ไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ใช่ไปที่สีสเกตยงก็อยากให้อยู่ที่สีสเกตไปดูไม่ใช่ ไม่ใช่ที่เรานิมิตเลยแต่เราบอกไม่ได้เกรงใจเขาไปจันด บ, บุรีไม่ใช่ไปที่อยุธยาไม่ใช่ไปที่หัวหินไม่ใช่ไปที่สงขลาก็หลายจุดไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นไปไปมามาพอไปที่พัทลุงพอไปที่พัทลุงไปอยู่พัทลุงรอบสองราะวัติที่เคยอยู่ หลวงพ่อเจ้าคณะภาค18ปที่ที่ท่านเคยอยู่ที่อาตมาหลวงพ่อเคยอยู่นั่นแล้วมันพอจะเจอก็จริงๆมีพระเจ้าคณะตำบลมานิมตนให้หลวงพ่อไปเทศงานทอดป้าป่าก็อบอกว่าได้ได้ได้กุยกันเรื่องนี้นคุยกันว่าไ อ, อ้ที่ที่ตรงไหนที่พอจะ ทำเป็นสำนักวิปัสนาได้มั้งท่านาโอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกโนดที่เลยเลือนจําไปแล้วก็หน้าที่ว่าการอำเภอน่ขึ้นไปข้างบนที่วังเนียงที่ตรงนั้นท่านก็เคยมาอยู่พระวัดอื่นก็เคยมาอยู่แต่ก็อยู่ไม่ทำหมดไม่มีอะไรเหลือจากนิดหนึ่งบอวันดีเกินดีหลวงพ่อ ลองดูดิเฮ้ในนิมิตก็ไปกับสามเณรวันนั้นก็ไปกับสามเณรอีกไม่ได้คิดถึงนิมิตสักนิดหนึ่งก็ไปกับสามเณรจริงๆก็ไปกับสามเณรพอไปถึงหน้าภูเขาที่ตรงนั้นนอะมันเย็นเยือบเข้าไปในใจเลยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วตรงนี้ใช่แล้วแต่ไม่พูดกับใครไม่พูดกับใครพูดไม่ได้สิปีหลวงพ่อก็ไม่พูด หลวงพ่อจะเริ่มพูดราวทักยีสิปีจึงจะพูดเรื่องนี้เปิดเผยก็รู้ว่าอย่างนั้นเราทําไม่สําเร็จแต่ก็จะดูถูกเราอันี้ก็ขึ้นไปข้างบนไต่เต้ า, ตาขึ้นไปไต่ก้อนหินขึ้นไปอะไรขึ้นไปไปเห็นเหมือนที่นิมิตหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยไม่มีเว้นอะไรทั้งนั้นเลย นี้มันจะสบายที่ไหนที่นั้นมันกลางเมืองใจกลางเมืองทีนี้ถ้ใไกลไปตั้งวัดที่นั้นได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะใจกลางเมืองนี่มันอันธพาลมันก็เยอะเอ้าพอไปอยู่ตอนแรกไปอยู่ตอนแรกกว่าจะมีบันไดขึ้นมาจากจะมีกุฏิขึ้นมาลําบากหมด ไม่กลัวคิดว่าถ้ามันตายก็เอาชีวิตทิ้งไว้ตรงนี้แหละตั้งหัว่ามันเกิดมาชาติหนึ่งก็ทําให้มันเต็มที่พอเริ่มที่ไปอยู่เริ่มไปอยู่ก็วันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาตอนภาคกลางคืนไปเทศในตลาดสดก่อนพอเทศจบก็เดินมาเดินทางนั้นจะหมายนั้นเดินทางนั้นเลย ก็ขึ้นเกินไปอยู่เพกินไปอยู่ก็สร้างกุฏิเขาก็ช่วยสร้างกันญาติโยมช่วยสร้างกันหลังกาเป็นกระเบื้องเสาก็เป็นไม้ไปหาไม้มาจากป่ายุ่งยากลําบากมากแต่มันก็สนุกดีแล้ว <c oughs> ก็ค่อยๆมีวาผนังตอนที่ไปอยู่วาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี เขาไปสร้างเองทั้งนั้นแต่ว่าไปอยู่แล้วไม่มีขวาก็อยู่แล้วอยู่ก็เอาเตียงไปตั้งไครไอ้เตียงว่าไม่รู้ตอนนั้นลืมแล้วเอาเตียงไปตั้ ง, ก, งกลางโกรดก้าวก็ดอนแล้วนอนแล้ ว, นอนลวเอาแล้วตอนขึ้นไปอยู่กับใครอ่ะขอลูกหมาก็ไปตัวหนึ่งเรื่อยขาวลูกหมาตัวเล็กอยู่กับลูกหมาเห็นไหม ไปอยู่กับคนไม่ได้ไปอยู่กับลูกหมาไม่มีคนไปอยู่เราอยู่กับลูกหมาอยู่อยู่ไปก็ทำขวับผนังอะไรตอะไรขึ้นมาแต่กุตีหลังนั้นตอนนี้ก็หมดแล้วปลวกกินหมดแล้วสร้างใหม่แล้วตรงนั้นมีอายการคนหนึ่งเขาสร้างให้ก็ยังอยู่ตอนนี้แต่เน่นพยโอยู่ อ, ยอุปสรรคก็ามาแล้วอ๋อ ตำรวจชายแดนขึ้นมาสองคนถามว่าคุณมาจากไหนบอกเป็นตำรวจชายแดนผมจะมายิงปืนที่นี้ก็คือจะยิงเป้าวเขาจะยิงเป้าวห่วงพ่อก็บอกว่านี่โยมอย่าเลยนะหลวงพ่อจะสร้างเป็นสำนักวิปัสสนาเขาก็ลงไปไม่ลงไปเฉยๆที่เขาก็วางแผนน่ะ วางแผนแล้วอพอโยไม่กี่วันผู้ว่าขึ้นมากับคุณนายจัตวรแพทยน์นี้คุณนายจตวรแพทย์ก็รู้จักกันเอาห น, นี้แกเสียชีวิตแล้วขึ้นไปกับผู้ว่าเพราะไอ้พวกนี้แหละมันไปพวกตำรวจนี่แหละพวกตำรวจเนี่ยมันไปบอกผู้ว่าผู้ว่าก็ขึ้นมาขึ้นมาก็พูดอย่างนั้นีเองนะ เขาว่าจะขออ่ามายิงปืนที่นี้ที่นี่หลวงพ่อนี่ประจบการณ์มันแน่นแล้วมันแน่นแล้วมันไม่ใช่จิกก๊กแล้วอยู่สวนโมกมันรับตั้งแต่อาจารย์สัญญาธรมธรมสัจธรรมสัจนู่นหมดทุกอย่างไม่กลัวแล้วอ้าวท่านผู้ว่าแล้วท่านจะมายิงปืนที่ที่นี้ ที่นี่หลวงพ่อขอบินดบาตเป็นสำนักวิปัสนารวนสถานที่ยิงปืนถ้า่ า, าหนาไม่ได้หลวงพ่อจะหาให้ไปเลยเห่นไหมโดนพระจริงไม่ได้ไปเลยเสร็จแล้วก็มีอุปสรรคไปเรื่อยๆืนายกเทศมนตรีในสมัยนั้นตอนนี้ก็ตายแล้วนายกเทศมนตรีขึ้นมาอีก ที่นั้นมีพระเคยมาอยู่สองครั้งพระมานิกายสองครั้งพระธรรมยุทธหนึ่งครั้งทีนี้พระธรรมยุทธเขาไม่ต้องการที่จะให้ควายมานิกายทีนี้นาะยกเทศมนตรีนะเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมยุทธเป็นเจ้าคุณเขาก็ขึ้นมาบอกว่านี่อยู่ก็อยู่เถอะ แต่ว่าอย่าสร้างกุฏิโตโตและไม่ต้องอยู่กันหลายรูปหลวงพ่อโกนหลวงพ่อจะสร้างกุฏิโตโตอะไรสร้างขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วอนี้ใครจะมาอยู่ล่ะหลวงพ่อมาอยู่ปฏิบัตินี่ไม่ใช่มาอยู่เอาเป็นของกูแต่น ไ, ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลวงพ่อกับ คิดเลขในใจอยู่เรื่อยทีนี้เขาให้การบ้านแล้วเราก็คิดเลขในใจที่ทำคิดเลขในใจแต่บอกใครไม่ได้เดี๋เรื่องมันจะแดงคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเราจะทํำยังไงเราจะแก้ปัญหนานี้ยังไงเราจะแก้ปัญหนานี้เงียบเงียบแก้เงียบเงียบก็เลยสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปที่กลางเขาก่อนสร้างพระพุทธรูป เต่๋ยวนีอยๆสร้างลงมาลงมาลงมาจนถึงข้างล่างจนถึงข้างล่างพอเสร็จแล้ววัดนี่ต้องมีพระพุทธรูปนีนี่พระที่วัดกวัวาจวันมีเจ้าคุณอีกองหนึ่งเออมาเฮียนสร้างอะไได้แต่พระพุทธรูปเฮี่ยนทมนี่ก็อย่างว่ายไม่มดแหลวเอาอยัางโง่ กุลก็ยังโง่เหีกยก็สร้างการเมืองรู้ไหมนั่นถ้ามีพระพุทธรูปหรือมีเจดีย์แล้วใครจะกล้าไปยุ่งเงรเห็นไหมนี่ต้องน้ำาหลใต้ทายอย่างนี้ต้องสู้ได้พวกนี้ต้องสู้ได้เราธรรมะข้าวไปสู้ฉะนั้นมีอุปาจาัก์อะไรต่างๆยบไม่มีปัญหา เราก็แก้ไปแก้ไปแก้ไปแก้ไปตอนนี้กำลังที่จะเป็นวัดแล้วก็ขอวัดแล้วสามสิบเจ็ดปีแล้วเป็นวัดก็เอเอมื่อไหร่จะเป็นวัดสักทีหนึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าปฏิรูปที่ดินขึ้นมามหาธรรมะคุยกันครั้งแรกสามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงพอเสร็จแล้วพอได้ที โออโหนี่โยมเป็นหัวหน้าปฏิรูปที่ดินและต้านรองผู้ว่าจัดการเรื่องนี้ทีเดอร์ก็ก็จัดการตอนนี้ก็ต้องนั้นอยู่ต้องถามกันไปว่าเรื่องมันไปติดที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาก็มาวัดมาทําแผนผังอะไรเรียบร้อยนี่อุปสรรคเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะหมดเลยเอา ไอพวกไอรุ่นหนุ่มสาวก็มากันที่เป็นกู้เป็นกู้ก็เลยบอกว่านี้สำนั ก, กวิปัสสนานะไปที่อื่นเถอะไม่เชื่อไม่มไมเชื่อเสร็จแล้วหลวงพ่าก็เลยทำประตูไปเลยทำประตูทำประตูวันนะ้ก็มาอีกไม่สวยไม่งามหรอกคนนั้นไม่สวยไม่งามหรอกผู้หญิงมา ของพ่อก็ไปบอกเดินไปบอกบอกว่านี่ไปที่อื่นเด้ยอย่ามาที่นี้ก็ลงไป้องไปก็ไปยืนอยู่ที่ประตูนั่นอีกองยังไม่ไปเลยยังมายืนอยู่ที่นี้อีกพระอะไรอย่างนี้อย่าใส่บาตรห้ฉันเลยมันว่าอย่างนั้นของพ่อก็เลยควาดไปเลยบอกว่าถ้ามึงจะใส่บาตรยังไงแม่มึงก็ยังไม่เคยใส่คว้าเัาอย่างนั้นเลย ต้องเล่นอย่างนี้ถ้ามันมาไม้แข็งเราก็ต้องไม้แข็งมันมาไม้อ่อนเราก็ต้องไม้อ่อน Currently, ต้องเล่นมันอย่างนี้ไม่อย่างนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ทีน่นี่เดี๋ยวนี้สบายตอนที่ไปอยู่ที่หลังสบายมากเดี๋ยวนี้สบายมากไม่มีปัญหาแล้วปัญหาเรื่องอย่างนี้หมดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่มีแล้วหลวงพ่อปราบไปหมดแล้วนี่คือเรื่องรฐานที่ดังนั้นลําบากมาก เรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายลําบากมากหลวงพ่อลําบากมากพอแล้วเมื่อก่อนคิดว่าที่สวนโมกลําบากแล้วอู้นิดเดียวได้แต่ความรู้ที่สวนโมกแต่เสร็จแล้วที่วังสันติบันพ่อที่วังเนียงมันมากกว่านั้นเป็นไหนๆเลยเวลาไปหาท่านอาจารย์พุท ธ, ธ, าธาทาสท่านก็ถามว่าทําไมเธอพอร้อมเหลือเกิน ออกกล่าวทำแต่งงานทำแต่ ง, งานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้เบิดหินก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้เบิดหินทำทางทำอะไรทำเป็นหมดอะไรที่ไม่เป็นก็เรียนรู้ไปแล้วก็ทำไปทำไปทำไปทำไปนี่ต้องเป็นหมดไม่เป็นไม่ได้เป็นสมพานเนี่ยมันต้องรู้หมดแล้วต้องอ่าวเต็งไม้มันกว้างทางก็ต้องเอาออกที่ แต่คนที่ไม่เป็นสมพานเน่ะก็ไม่สนใจหรอกว่านี่มันกิ่งไม้มันเกล็ดกาคนที่เป็นสมพานก้าวไปในร่วมอ้าวนี่มันตายแล้วมันไม่ล้างเลยสมพานก็ต้องรู้อีกนะรู้ทุกอย่างทุกอย่างจะต้องรู้หมดสมพานเน่ะก็เรียกว่ารับภาระสมพานก็เป่นภาระต้องเป็นภาระที่นี่นี่ภาระที่หลวงพ่อมาทําที่นี้อืม เพเป็นปาระครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อ้ตอนที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาตป่วยหลวงพ่อก็รีบมาเลยรีบมารีบมาเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านทีนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายเพราะผู้ว่าคนนั้นก็สนิดสนมกับหลวงพ่อแล้วก็แม่เขาก็ขึ้นเมาวัดหลวงพ่อวันพระเป็นประจําประจําก็อื เขาก็โทรมาว่าโอ้ท่านอาจารย์ไม่สบายหนักและหลวงพ่อไม่ไปบอกโอ้หลวงพ่อยังไม่รู้เลยอย่างนั้นก็พรุ่งนี้เช้ามืดนะให้พวกพนัก ง, งานกับรถกับรถมารับหลวงพ่อไปเลยอย่างนี้พอเช้ามืดตั้งแต่หกโมงรับหลวงพ่อไปผู้ว่าคนนั้นใชื่อคุณไปโรดคุณไปโรดพ ร, ร, ร้มศาล คนจังหวัดเลยหลวงพ่อไม่เล่นง่ายๆหรอกกับผู้ว่านะ่ะไม่เอาง่ายๆหรอกถ้าว่าผู้ว่าคนไหนไม่ได้เรื่องไม่หลวงพ่อไม่ยุ่งไม่ยุ่งงี้บางทีผู้ว่าที่ไม่ได้เรื่องนั่นแหละไปเที่ยวถยไปวัดนั้นเห็นพระรศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นก็นกนยกไปเลยกระถางต้นไม้สวยๆก็ยกไปเลยอ้าวหลวงพ่อเจ้าคณะภาคก่อนเอียนจัดการที่เดี ว, วผู้ว่ากนนิ่ม อุบาดจังแล้วอูบาดจังแลียวหลวงพ่อก็จัดการอีกจัดการเลยบอกคุณไพรโรดคุณไพรโรดก็เป็นลูกพี่เขาเนี่คือเขาขึ้นที่นั้นเนเมื่อก่อนเขาเป็นรองอยู่ที่นั้นเนี่ยผู้ว่าอีกคนนึงหลวงพ่อบอกว่าคุณไพรโรดจัดการให้ไปเป็นผู้ตรวจที่ที่ผู้ว่าคนนี้เพราะมันนี่พระผู้ใหญ่ท่านก็บน่นมากับหลวงพ่อ แล้วผมจะทํำยังไงเนี่ยก็ไม่มีความผิดก็คุณไปดูก็แล้วมันไปจัดการเขาเราเองลงตายที่สุดก็เอวังปุว่าคนนั้นก็ไปเป็นผู้ตรวจไปเป็นผู้ตรวจสองคนแล้วที่ไปเป็นผู้ตรวจอ้าวอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือทางราชการเขาเลือก ครูดีเด่นพระดีเด่นอะไรดีเด่นเจนี้มีปออศูนศึกษานอกโรงเรียนบอกาอาจารย์อาจารย์าารยข้าวเธอได้แน่นอนเลยไม่มีพระไหนทําทงานเหมือนกขาอาจารย์หรอกที่จังหวัดนี้ข้าก็ข้าวทาผลงานยีสิบเล่มตายเอกสารยีสิบเล่ม20สิบเล่มก็ให้กรรมการให้กรรมการคนละเล่มละเล่มเลย สิบเล่มสิบเล่มเสร็จแล้วก็เป็นยังไงบ้างอะผ่านแล้วผ่านแล้วกรรมการไอนี้เอาผ่านแล้วก็เออผ่านก็ผ่านแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินพอถึงวันตัดสินเป็นยังไงผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีอดีตผู้ว่าคนหนึ่งเขาจะเลือกเสวาวอเขจะเลือกเสาวาอก็เอาของหลวงพ่อนี่แหละโกงของหลวงพ่อ เอาไปให้อดีตผู้ว่านั้นเพื่อจะเอาไปเป็นเกียรติบัตรของเขาไอ้นี่หลวงพว่อเออดีดีดีดีดีดีดีวันนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นไปตุระที่ตำนักงานเทศบาลเพราะตำนักงานเทศบาลนี่นายกเทศมนตรีนี่ก็ต้องค้อมหลวงพ่อเหมือนกันทําไมต้องค้อมหลวงพ่อ่ะ ของพ่อยกที่ดินให้เก็ไร่ทำสถานที่สงเคราะห์คนชาราและก็ก่อสร้างอะไรต่ออะไรหลวงพ่อก็ช่วยเหลืออยู่ทีนี้เป็นยังไงคนทั้งสองพันสาพันเอาเลือกตั้งทีหนึ่งโอ้ยเสียงต่วมทนอา้าวทีนี้เป็นยังไงทางโ น, นง้นก็หาเสียงหาเสียงอถ้าได้เรานี่เอาสถานที่สงเคราะห์คนชารา จอดรถเฉยเลยมีคนมาบอกหลวงพอ่อบอกมีคนมาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพอ่ออาอย่างนี้อย่างนี้นายกตอนเช้าเพราะาโยมเขาจะไม่อยู่ประจำหรอกเขาจะมากันวันละกลุ่มวันละกลุ่มวันละกลุ่มเอาปากเช้าหลวงพ่อฉันท์ก้าวเสร็จเอารถมารับหลวงพ่อไปเพราะมันอยู่หลังเขามามารับไปพอรับไปเสรไอ้พูดอย่างนี้น ทำไมไม่คิดถึงหลวงพ่อมัง่งหลวงพ่อเป็นคนตั้งเป็นคนให้ที่ดินอะไรเรียบร้อยทํำไมไปพูดอย่างนั้นนี้หลวงพ่อก็อเลยออหลวงพ่อจะไปพูดเราคนชะลาเองไปถึงก็พูดได้ทำวัดได้สวดมอนต์อะไรเสร็จนั่งสมาธิหลวงพ่อเลยโยมอย่าแตกแถวนะแตกแถวไม่ได้โยมอย่าแตกแถวเป็นนันขาดทรนี้พอมีเวลาตอน วันเกิดในหลวงวันราชนีแล้วก็วันผู้สูงอายุเพราะก็นิมนต์หลวงพ่ อ, อยังเดียวไม่ได้นิมนต์พระอื่นหรอกนิมนต์หลวงพ่อไอ้พระอื่นไกลมันจะเข้าเขาไม่มีหุ้นส่วนแต่หลวงพ่อ น, นี่เจ้าของหุ้นส่วนเพราเลยเก็ไม่นิมนต์แต่นี่ผู้ว่าคนนี้ผู้ว่าคนที่ว่านี่นะ วันนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นไปขึ้นไปที่ที่สํานักงานเทศบาลมีพวกลูกเด็กๆมาถามเป็นไงเป็นไงหลวงพว่อได้ไหมได้ไหมพระดีเด่นบอได้อะไระผู้ว่ามันอุบาทนานกวาดกันไปนั่นเพราะว่าผู้ว่าอุบาทเรื่องกดเดงไปถึงผู้ว่าเนี่ยเราพูดคําเดียวพอไม่ต้องมาก ลง้ายที่สุดเป็นยังไงไปเป็นผู้ตรวจเหมือนเดิมนี่อย่ามาทำกับหลวงพอ่ออย่ามาทำเจ็บตัวถ้าทำาในเจ็บตัวตอนนี้ก็ไปเป็นผู้ไหว้อีกซื้อซื้อไปซื้อก็ซื้อทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ซื้อทั้ทงนั้นหลวงพ่อรู้ดีวงการนี้ซื้อกันทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดห้าล้านอย่างน้อยที่สุดนะห้าล้านเอาทีนี้ รองรองที่พัตตะลุงนั่นแหละตอนนี้แหละสองคนบอกผู้ว่าอีกคนหนึ่งรถกระเซียนอ้อรถ ก, กระเซียนรองคนนั้นก็วิ่งรองคนนี้ก็วิ่งเป็นนักวิ่งกันหมดเป็นนักวิ่งกันหมดที่นี่หลวงพ่อก็เตือนไปเตือนอย่าไปยุ่งมันนะไอคนนั้นอย่าไปยุ่งมันนะคือนักการเมืองอย่าไปยุ่งมันนะถึงว่าบ้านอยู่ใกล้เรือนเกียงกัน มันกินนะไอ้ตัวนั้นมันกินนะไม่เชื่อหลวงพ่อเพราะไม่เชื่อหลวงพ่อโดนเลยตอนนี้เดินหน้าเองอยู่ทินเห็นไหมเขาคิดอะไพระจะไปรู้เรื่องอะไรเรื่องการมงการเมืองต้องรู้เราต้องรู้วันนี้แผ่นดินไหวที่ไหนวันนี้มีเรื่องอะไรที่ไหนหลวงพ่อนี่จะพูดไม่เหมือนพระอื่นนะพระอื่นพูดธรรมะเก็พูดธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะ หลับหมดโยมหลับหมดแต่หลวงพ่อประยุกต์ประยุกต์เอาอันนั้นมาออนนี่มาเรื่องใหม่หมเๆเก่าๆอะไรหลวงพ่อก็ประยุกต์ออกมาพูดพูดพูดพูดพูดนี่ไม่เหมือนหลวงพอ่อพระอื่นไม่เหมือนหลวงพอ่อทีนี้พอหลวงพ่อบอกว่านี่จะไปเชียงใหม่นะวันที่เตอานั้นตอนนั้นหลวงพ่อทําไม่ได้ปิดเติมก่อนตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่า ไปนี่มนพระอื่นมาก่อนไม่เอาพระอื่นก็ไม่เอาพระอื่นไปรเรียนเก้าวประโยคก็ไม่เอาเลยดูที่เอาแต่หลวงพ่อตายที่นี้หลวงพ่อเพื่อนอิจฉาตายแต่อย่างนี้แต่เขาทาอะไรไม่ได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ไไไ ด, ดึงผู้ว่าเก้าวัดนี่ใช่ง่ายนะดึงรองเก้าวัดนี่ไม่ง่ายแต่ถ้าดึงหัวเข้ามา คอมันก็ติดมันนั่นหลยอ่างมันก็มาเลยตู้มก็มาเลยมันก็มากันหมดแต่อย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนี้ไม่ง่ายเราต้องมีอะไรต้องมีธรรมะให้ก็ดิถ้าไม่มีธรรมะให้วก็จะมาทําไมอย่างนั้นโยนที่กรุงเทพก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ให้ธรรมะให้ธรรมะให้ธรรมะโยมที่นี้ก็ให้ธรรมะให้ธรรมะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเราจะนั่งให้ธรรมะก็อย่างเดียว ถ้าเขามีธรรมะถ้าเขาเห็นจริงเขาปฏิบัติจริงที่หลวงพ่อบอกให้เขาทําไปปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงเขาก้าวใจพอเข้าใจแล้วหลวงพ่อจะไปเสีย อ, อะไรอรอกหลวงพ่อไปเมืองจีนสามครั้งเนี่ยไปเมืองจีนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเดกบาทหนึ่งแคทําไมลูกศิษย์เยอะแยะเขาก็จัดการเองก้าเครื่องก้านโน่นกานนี้เขาชอบไปกับหลวงพ่อ พราว่าปอติยานี่โน่นไปนั่งพูดอยู่ที่บนโรงแรมชั้นที่ยี่สิบโน้นมาเต็มพองพวกเรานี่แหละไปไปกันเองพอพูดธรรมะไห้ฟวังไงควังไห้ไวังมีเวลาก็พูดธรรมะไอ้ควังพอหลวงพ่อเข้าไปจะชอบหน่อยหนึ่งไปชอบกันโอ้ข้าไปเคียงข้างหลวงพ่อแล้วพาหลวงพ่อหยิบอะไรนี่ชักเงินแล้ว หลวงพ่อเลยไม่กล้ายิบเลยทีนี้เกรงใจเขาจะซื้ออะไรก่อนเกรงใจนี่คือเมื่อธรรมะเข้าไปจูจิตของเขาแล้วไม่ลำบากไม่ต้องลำบากไม่ต้องพิมดีกาหลวงพ่อไม่มีทอดกรถินไม่มีผ้าป่าผ้าป่าก็ไม่เอากรถิ่นก็ไม่เอาให้ก็ตามกันเลยวัดอื่นพอแล้วเราพอแล้วไม่อยากรบกวน อยา่ยางรบกวนญาติโยมกันแล้วนี่ทํากันอยู่อย่างนั้นตามมีอย่างนั้นใ น, นเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วมีแต่ให้ที่ผ่านมาเมื่อทำวันเกิดก็เอาผู้สูงอายุเอาไปเลยหนึ่งแสบาทเอาทํมาเลยหนึงน่งแสผู้สูงอายุเสียชีวิตมาเบิกได้เลยคนละสองพันสองพตายแล้วยังให้เงินอีก ยังไงเอินอีกอ้าวคนเจ็บคนเจ็บก็สร้างเครื่องช่วยหายใจให้สองเครื่องคนแก่คนแก่ก็หสามสิบคนคนละสามร้อยสรยคนที่ลําบากเด็กเด็กก็ให้ทุนการศึกษานี่ก็ห้ให้ให้ใหมีแต่ให้แต่ไม่มีอะไรให้ก็ให้ธรรมะมาที่นี่ก็ให้ธรรมะให้ธรรมะญาติโยมมันแหละ อาประจนนั้น ญ, ญาติโยมต้องตั้งใจในการปฏิบัติกูดเกล็ดปลามาเมื่อตอนภาคค่าได้ด้านเดียวเดี๋ยวนี้มาขูดด้านที่สองมาอย่างนั้นแกงไม่ได้ต้องเอาเกล็ดมันออกก่อนพอเอาเกล็ดออกก่อนก็ต้องเชื้อนที่มันเจ็บไหมโยมเจ็บไหมต้องเชื่อดเชื่อดเชือดเือดเ ช, ด เ, ช, ด เ, ชดเลือดไหลเลย แต่แล้วก็เอาเกลือทานี่มันต้องทําอย่างนั้นทีนี้โยอมมาปฏิบัติทำนี่อย่าโยโท้แต่ไม่ใช่ว่าไม่โยอต้เฉพาะแต่ที่นี้ที่พันดาวที่บ้านเราที่หมื่นดาวแสนดาวก็ต้องทําทำเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปและทีนี้โยมอยากคิดว่าเออภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไ ม, กไม่เอาหรอกไม่เอาหยาบ หยาบเหลือเกินอ้าวไม่ใช่อีฉันเจ้าข้าไปพูดกับกิเลสเน่ยดูทีไปเอาอกเอาใจมันทำไมอ่ะไอ้ไม่ใช่กูอ่ะตัวกูเนะี่ยคือตัวกิเลสนั่นน่ยคือเจ้าแม่มันเจ้าแม่มันนั่นเนี่ยคือตัวอวิชชาเนไม่ใช่กับผมครับไม่ใช่อีฉันเจ้าข้าตายกิเลสหัวล็อกกากกากาก า, กากเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นไอ้คาว่าไม่ใช่กูนี่ตีหัวมันเลยตียหัวมันเลยเมามันจะโกรธขึ้นมาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ไชกูไอ้ที่โกรธนั่นแหละคือตัวกูเอามันอยากอะไรขึ้นมามันอยากซื้ออันนั้นอันนี้อันโนตอยากจนกระตั้งอยากจะมีรัชการเด่งเอารัฐก็มีแล้วมีแล้วมันไม่ใหม่แล้วมันเก่าแล้วนี่มันรุ่นใหม่ออก ทำย <t> ังไงดีอยากอยากยากยากยากเทืนเตือนเตอนเอาไปเติอนเอาไปเตินได้เท่าไหร่ก็ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็หาเงินเอาไปตมต้มตมตมตมตมอยากนี่อยากทีนี้ถ้าภาวนาอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงอย่าอยากเลยมันไม่ใช่กูอย่าอยากเลยไม่มีเงินง่ายไม่มีเงินง่ายหรอกไม่ไปยืมดอกก็ได้ ก็ได้ดียืมดอกแล้วเอาอะไรไปให้เขาเอาไปเอาโฉนดไปข้านาคารก็ได้โง่ไปใหญ่เลยเอาดินไปแลกกับเศษเหล็กเห็นไหมไอรถมันเศษเหล็กเสร็จแล้วมันก็อะไรต่ออะไรเนี่ยมันพลาสติกอย่างนั้นตั้งนั้นเลยนี่เสร็จแล้วอยากตามอำนาจของความอยากพอาซื้อมาถึงบ้านแล้ว ห, หมดท่าเลย ราคาก็ตกแล้วอะไรตกแล้วพอซื้อมาถึงบ้านฉะนั้นอะไรก็ต้องให้มันพอดีพอดีพอดีพอ ด, พอดีเป็นอยู่ให้มันพอดีสบายทีนี้ถ้ามันเลยพอดีไปไม่สบายเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งหม่มก็ให้พอดีพอดีไม่ต้องเลยเถิดไปนี่มันเลยเถิดก็จะถึงปีใหม่แล้วเอามันหน่อยนี่ดอกมันดี ตัวนี้ดอกมันดีมันแกวแหววดีอ่าซื้อมันต่ออ้าซื่อซื้อชื่อซื้อือืออยู่เรื่อยแ้่มันพอที่ไหนมันพอที่ไหนนี่คือตัวตันหาตันหามันเป็นลูกน้องของอาวิชาเห็นไหมตันหาอุปทานอวิชาคือตัวแม่มันตันหาลูกมัน อุปาทานเนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นเจ็แล้วมันก็เป็นชีวิตที่ลำบากอยู่เรื่อยเป็นหนี้ไม่เคยขาดเลยเป็นหนี้ไม่เคยขาดพอหลุดหนี้แล้วไม่ได้ตัวมันเบาๆไปเป็นหนี้ต่ อ, อนี่อย่างนั้นไงเอออย่างนั้นทีนี้การปฏิบัติธรรมรู้ไหมเราเรื่องนี้นี่เราก็เรื่องนี้เรื่องนี้ให้ใครอ่ะ เรื่องนี้ให้ธรรมชาติธรรมชาติก็ให้เรายืมมาให้เรานี่แหละยืมเข้ามาอะไรก็ยืมเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างธาตุต่างๆพูดเรื่องธาตุหน่อยธาตุต่างๆนี่เมื่อก่อนที่จะมีโลกมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีดวงดาวมีจักรวาลขึ้นมานี้ คนที่ฟังแล้วก็ฟังอีกนะเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดยอดเรื่องสุดยอดเอาทีนี้เมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ชื่อว่ามีจักรวาลแล้วก่อนจะมีจักรวาลมันมีอะไรอ่ะก่อนจะมีจักรวาลมันจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบความสงบเย็นมีแต่ความสงบเย็นอย่างเดียวมีความสงบเย็นอย่างเดียว อนนี้ความสงบเย็นนั้นมันค่อยๆมีนั้นมีนี้ขึ้นมาภาษาบาลีนั่นก็ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรว่าก่อนนี้มันไม่มีอะไรไม่ใช่ว่างนะมันมีนั่นแหละมีความว่างมีความว่างทีนี้พอมีความสงบมีความว่างขึ้นมาต่อไป มันมีกี่ฝนมันมีก้อนหินมันมีอะไรต่ออะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เสร็จแล้วมันก็มีดวงอาทิตย์ขึ้นมาธาตุแต่ละธาตุมันก้าไปรวมกลุ่มกันออก้าวไปรวมกลุ่มกันอย่างนั้นเราเรียกว่าดวงอาทิตย์เรียกว่าดวงอาทิตย์ทีนี้เขาวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า โลกนี่มันแตกออกมาจากดวงอาทิตย์ประจั่งหัวมันจะแตกหรือไม่แตกก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีลาวาอยู่ข้างในมีลาวาอยู่ข้างในเหมือนกับลูกกวาดอย่างนั้นทีนี้มันก็หมนุนมันก็ห ม, นมุนทำไมมันต้องหมนุนคือมันแตกออกมาแล้วเหมือนกับว่าในครอบครัวของเรานั่นแหละเราแต่งงานแล้วก็ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากจะอยู่เดียว อยากอยู่เดียไอ้ดวงอาทิตย์ก็ยังเป็นห่วงอยู่อยากจะดูดล ok. ูกเข้ามาที every every so ่ตัวเองลูกมันก็ไม่ยอมถ้ายอมทีนี้มันก็สู้กันดิสู้กันสู้กันดโลกมันก็หมุนหมุนหมนหมุนหมนหมนหมุนเหนไหมนี่โลกมันหมุนโลกมันหมุนก็ติดอันนั้นก็ไปติดอันนี้ก็ไปติดอันโน้นก็ไปจนเป็นเปลือกโลกทีนี้ทีนี้ไอ้เยื่อในของโลกเนี่ยมันยังร้อนร้อนร้อนอยู่ราวานั่นมันร้อน ไปตรงไหนก็เผาไหม้ตรงนั้นไปตรงไหนก็เผาไหม้ตรงนั้นต่อไปปูเขาที่ดอยสุเทพนี่ระเบิดระเบิดแต่แล้วก็ลาวาก็ไหลออกมาระวังนื้ทันนะแตนี้นี่คือความร้อนมันก็ยังอยู่ยังอยู่ความเย็นมันก็มีมีเป็นยังไงอันี้มันก็มีทะเลมี ม, มหาสมุทรมีน้ำมีดินมีไฟมี อากาศมีอะไรขึ้นมาพอมีขึ้นมาแล้วพอมีสัตว์โลกทีนี้สัตว์โลกก็เป็นสัตว์น้ําก่อนสัตว์น้ําก็ค่อยๆคืบกลานขึ้นที่พื้นดินคืบกลานที่พื้นดินเอาเสร็จแล้วก็ลงน้ําอีกลงน้ําอีกก็สร้างปอดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทีนี้พอเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําต่อไปก็กลายเป็นสัตว์บก กลาเป็นจัดบอกกันนี่พวกเราเนี่แหละพวกเราทีนี้ไอ้พวกเรานี่ก็เมื่อก่อนมันตันจหมยที่ไหนป้าก็ไม่รู้อะไรคือป้าพอหนาวพอเกิดหนาวขึ้นมาก่อนโน่นไปเอาเปลือกไม้ไปเอาอะไรด้วอว่าไปอยู่ในต้ำในในเขาไปอยู่ในโพรงไม้อะไรพวกนั้นมันยังหาที่อยู่ก็ยังไม่ได้เลยทำไม่เป็น สมองมันโตจริงตอนนั้นสมองมันยังทึบอยู่เอาทีนี้เป็นยังไงของกินน่ะของใชอ้อะเห็นไหมสมุติ ส, สมัยมนุษย์ยุคหินน่ะมันใช้อะไระมีดมันก็ทําไม่เป็นพัฒนาก้อนหินพัฒนาพัฒน า, พ, ฒนาพัฒนามาจนเป็นขวานฟ้าเสร็จแล้วก้อนหินที่คมคมเหนลิงอุดังอุดัอูรังอุตั ง, ต ง, ตงเห็นไหมเวลามันเราไปทุบ ลูกกาลัดนั้นน่ยอย่างนั้นสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์อ่ะเหมือนกันลิงนั่นแหละเหมือนกันลิงนั่นแหละเที่ยวค้นหานอนค้นหานี้เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องกันแดดกันหนาวอ๋อถ้ามันหนาวอย่างนี้อมันหนาวอย่างนี้มันก็หาเปลือกไม้บ้างอะไรบ้างเอามากลุมร่างกายจนกระทั่งว่ามันกินสัตว์เพราะต้องกินสัตว์ กินสัตว์ตอนแรกก็กินสัตว์ดิบๆกินปลาก็กินปลาดิบอกินเนื้อก็กินเนื้อดิบดิบดังนั้นพ่อญี่ปุ่นเนี่ยมันยังติดอยู่เห็นไหมกินแต่ปลาดิบหลวงพ่อไปโดนเก้าคาหนึ่งใจใจเย็นเต็มทีคิดว่าเรานี่มันแมวหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับแมวกินหนูอย่างนั้นมันเย็นเย็นลงไปเย็นโอ้ยไม่เอาไม่เอาเลิกไม่เอาอาหารญี่ปุ่นทีเดียวเข็ดเลย โดนทีเดียวเกตอาหารญี่ปุ่นลูกศิษย์เขาเป็นก็ เ, เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นก็ของพ่อจะไปฉันอาหารญี่ปุ่นนะโดนกคำเดียวเขตตั้งแต่นั้นมามไปเห็นนั้มีแต่น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มน้ำจิ้มทั้งนั้นเลยนี่ปีนี้ปีหน้าปีใหอยนี่คิดว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ไม่กินเหลก็อาหารญี่ปุ่นพกน้ำพริกไปกับประเทศไอยเลยอเอาอย่างนั้นเลย พอพูดว่าจะไปญี่ปุ่นญาติโยงก็จะไปกันหลายคนพอยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังก่อนเดือนพฤกษาภาโน่นแหละไปทําไมประเทศญี่ปุ่นหลวงพ่ออยากจะไปดูสวนเซนสวนเซนในสมัยก่อนญี่ปุ่นเขายังรักษาวไว้สวนเซนสวนของนิกายเซนที่นี่ที่เรามาจัดสวนยอมสวนยอมนี่มั น, ม, นมันนั้นเรียกว่ามันมันไม่เท่าหรอก เพราะว่าสวนญี่ปุ่นก็จัดหนึ่งก้อนหินสองต้นสนสมทรายหรือกรวดหรือวา่าหญ้ามอสอะไรพวกนี้เลยเขาจะทําอย่างนั้นสวนญี่ปุ่นแต่เรานี่ทําสวนยอมมีดอกไม้มีไม้ประดับมีอะไรนี่มันมันมันไม่ใช่แล้วเราจัดเพื่อสวยงามแต่ว่าญยุโรปก็จัดนั่งเพ่งนั่งเพ่งก้อนหิน ปฏิบัติธรรมะโดยการภาวนาภาวนาภาวนาภาวนาภาวนานั่งเพ่งอยู่มีพระรูปหนึ่งพระเซนนั่นแหละนั่งเพ่งก้อนหินก้อนหินก็ลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปก็นั่งเพ่งเพ่งเพงเพ่งเพงเพงนั่งเพ่งเลยก็เห็นก้อนหินก้อนนั้นเป็นพระพุทธรูปไปเลยพระจิตจํานึกแต่แล้วก็เดินได้เดินได้ก็ตึงอันนี้ ไปบอกอาจารย์ใหญ่ทีนี้บอกอาจารย์ใหญ่นี่ถ้าเกล้ากับผมจะเอาก้อนหินนั้นไปสลักเป็นพระพุทธรูปได้ไหมเพราะตอนที่นั่งเพ่งอยู่นั้น mm hmm. เห็นก้อนหินเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เดินได้เดินได้ทีนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นยังไงก็เหมือนกับว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่เห็นโ น, น้นแล้วไปเห็นมันทาไม ถ้าเห็นก็เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดดบว่างจากตัวดตนเกิดดับว่างจากัวตนให้เห็นจิตเห็นเนี่ยตรงไหนเห็นจิตว่าจิตนี้มันเกิดดับว่างจากัวตนมันอาศัยประตูหน้าต่างหน้าต่างตาหน้าต่างหูหน้าต่างจมูกลิ้นกายนี่พอรับเสร็จแล้วมันก็เอาไปเมมโมรี่เอาไว้ในสมองทีนี้พอมันนั่งสมาธิ ก, คก็คลายออกมาคลายออกมา หรือว่าสัญญาที่มันเคยยึดถือนั่นแหละมันก็อออก็ออกมาออกมาออกมาเป็นยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่านี่เมื่อจิตของเธอนี่เกี่ยวเรื่องจิตเลยนะเมื่อจิตเธอนั่งสมาธิแลจ้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจนพอ nang n a n แล้วก็ตัวเบาตัวลอยไม่เป็นยังไงไม่รู้ความรู้สึกมันเบาไปหมดถ้าเรา กางมุงนั่งในมุงก็เหมือนกับว่าศีรษะของเราขึ้นไปชนมุงอย่างนั้นเน่ท่านก็บอกว่าเมื่อจิตของเธอเป็นสมาธิยกจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละให้เป็นวิปัสนายกยังไงวิปัสนาก็คือตัวปัญญายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาพอยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาแล้วก็ดูจิตคือ วิปัสนาคือปัญญานั่นแหละไอ้เกิดปัญญาแล้วเมื่อก่อนมันมีสมาธิอย่างเดียวมีสมาธิอย่างเดียวสมาธิทือทื่ออย่างนั้นอีนี้ตาดีไปกว่านั้นก็เป็นฌานเป็นปฐมฌานปฐมฌานก็มีวิตกวิจารปิติจุขิกกัคตามากไปกว่านั้นก็เป็นอรูปฌานอารูปฌานก็อากาสานัญจาตนะวิญญาณัญจาตนะอกินัญญายตนะ เนยว่าสัญญานาสัญญาญตนะยอมคว้งไม่จูเพราะเป็นภาษาต่างประเทศวิตกวิจารณก็คือตรึกวิตกก็คือตรึกวิจารณ์ก็คือตรองตรึกตรองตรึกตรองตรึกตรองเห็นนี้เราไม่ต้องเอาเป็นจานก็ได้เราเอาแค่ตึกตรองตึกตรองจิตเนี่ย ยกจิตขึ้นสวยปรัชนาแล้วก็ดูจิตดูจิตเออจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นจิตมันเกิดดับเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ก็เกิดนะพอมันคิดนะเราเรียกว่าเกิดพอมันดับ อ, อพอมันหยุดเราเรียกว่าดับนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จ แ, แล้วคนที่เป็นห่วงลูกเออลูกอยู่กับยายไม่รู้ดูอย่างไงตอนนี้ รูอย like, ่างไรแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วก็จังหัวมันดับมืนดับแล้วพอเกิดไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนั้นน่ยหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าดูเกิดดับดูเกิดดับดูเกิดดับก็คืออนิจจังอนิจจังจิตเนี่ยมันจะไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงนะเราฝังเราฝังพระบ่อยๆ อันนีจังเลว่าไม่เที่ยงแต่ไอ้ของเราที่เป็นทรัพย์ประจำตัวเนี่ยทรัพ์โง่มันคิดว่าเที่ยงอะไรก็เที่ยงหมดอะไรก็ตายตัวหมดเป็นยังไงว่ามันไม่เที่ยงมันไหลนี่ร่างกายนี่มันไหลนี่อา้าวตอนที่พูดจบที่มอชอเห็นผู้สูองอายุคนหนึ่งหัวขาวโปรน โยมนั่นอะไรนั่นนาะแควชันก่นแควชั้นเพราผมงอกอแล้วมันเป็นตัวกูหรือของกูไม่นั่นเนาะนีะ่ถ้าเป็นตัวกูของกูแล้วทําไมไม่บังคับมันนาะย้ายงอกนั่นแหละคือมันเกิดดับเกิดดับตทางนั้นมันเกิดดับทางนั้นมันเกิดดับที่จิตก่อนตอนแรกเกิดดับแล้วข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่อยากแกโง้ ไม่อยากเจ็บก็โง่ไม่อยากตายมันก็โง่ไอ้ใครที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายจิตอาวิชานะ่ยนั่นแหละจิตอาวิชาคือจิตงโง่จิตงโง่ทีนี้จิตงโง่นั้นเรายกสมาธิที่เราทำสมาธิจนจิตนะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือยกขึ้นสู่ปัญญา ยกขึ้นรูปัญญาศีนสีลศีลมีหน้าที่ในการบังคับกายกับวาจาบังคับกายวาจาศีล ส, สมาธิบังคับจิตสมาธิบังคับจิตเสร็จแล้วเรายกจิตที่เป็นสมาธิขึ้นรูวิปัสสนาก็เรียกว่ายกขึ้นรูปัญญา พอยกขึ้นรูปัญญาก็พิจารณาทีทีนี้เอามาพิจารณาพิจารณาว่าโอ้นี่มันเกิดดับมันเกิดดับมันเกิดดับทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับทางจมูกก็เกิดดับทางลิ้นก็เกิดดับทางกายก็เกิดดับทางใจก็เกิดดับมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับอย่างนี้มันไม่มีตัวตนดิมันก็ไม่มีตัวตนด เพราะมันเกิดดับอย่างนั้นมันจะเกิดดับอย่างนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะ่ะทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นะน่ะมันมาจากความสงบทีนี้ความสงบแท้นะ่ะความสงบแท้นะ่ะเป็นของเดิมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดไอ้เกิดความรู้สึวกว่ากูไม่ใช่ไม่ใช่กูถ้ากูเราต้องบังคับมันได้ แต่นี้บังคับมันไม่ได้สักอย่างหนึง่งทั้งเนื้อทั้งตัวนี่บังคับมันไม่ได้เลยไหนตัวกูที่ไหนนี่คือธรรมชาติเขาให้ยืมเขาให้ยืมไนี่จิตเขาก็ให้ยืมจิตเขาก็ให้ยืมร่างกายเขาก็ให้ยืมให้ยืมแล้วยังแถมอีกนะยังแถมแถม อ, อาหารการกิน ก็ได้มาจากไหนถามเด็กเด็กเด็กเขาบอกว่าได้มาจากในครัวถามเด็กพี่โตขึ้นว้อีกได้มาจากตลาดมันได้มาจากธรรมชาติทัางนั้นอาหารการกินเนื้อตัวสร้างมาจากธรรมชาติแล้วธรรมชาติยังแถมมีที่ดินให้ปลูกผักมีทะเลมีหมาสมุทรให้มีปลาให้มีอะไรนี่แถมอาหารการกินให้ มาจากธรรมชาติทังนั้นเอาทีนี้เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากร้านโน่นเอาแต่มันมาอย่างไงก็ดูที่ว่ามันมาอย่างไงฉะนั้นพระเวลาท่านโฮมจีวอนอต้องพิจารณายะตาปจจยังปวัตตมานังทาตุมัตเมเวตังนี่ต้นแบบมีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักเทวดาธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดก็ตอนแรกมันมาจากใยสังเคราะห์ต่างๆมันมาจากฝ้ายมันมาจากพืชมันว่าจากใยสพรจ์จากนั้นจากนี้แค่เสร็จแล้วเอามาทอเป็นผ้าแล้วเอามาตัดเชื่อตัดกางเกงทำจั๊บงจีวรนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนแรกมันก็น่ารักมันก็สวยงามค่อยๆเก่าไปคร่ำคร่าไปอะไรไปเห็นไหมนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดตลอดเวลาเลยยาตาปัจจะยังปวัตตมานังทาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยติตังกีวรังตาตุปภุญจะโกจะปุกัลโรสิ่งเหล่านี้คือกิวรและคนผู้ใช้สอยกีวอนนั้นเอาคนข้าไปด้วยทีนี้และคนผู้ใช้สอยกีวร น, นั้นตาตุมัตโกเป็นศักดเดวทาตตกลงทั้งคนทั้งกีวรนทั้งเสื้อผ้าเป็นจักดเดวทาตตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด อตุปปุญจะโกจะปุ ก, กลแโรเสร็จแล้วนิสตโตนิจชีโวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสมมติทา ง, งนั้นเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิสตโตนิจชีโวเสร็จแล้วตัวสุดท้ายเขาอสุนโยว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่คนที่ผู้เราว่างพอหลวงพ่อผู้เราว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรไปคาใจให้ตูกเท่า ว, ว่า มันว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างไม่มีมันมีอยู่นั่นแหละเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละมีทุกคนแต่พอเอาวิปัสสนาข้าวไปนี่ย ก, กิตขึ้นรู้วิปัสสนาแล้วก็พิจารณาพิจารณ า, าโอ้ออกแยกออกไปเลยแยกออกไปร่างกายนี้แหละแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปอาการ32สองก็เป็น32ส่วน แยกออกไปผมแยกออกไปขนแยกออกไปเล็บแยกออกไปควันแยกออกไปหนังแยกออกไปเนื้อแยกออกไปเส้นเอ็นแยกแยกแยกแยกยแยกบอดคนอยู่ตรงไหนทีนี้คนอยู่ตรงไหนนี่คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจนโยว่างจากความหมายอย่างความเป็นตัวตนทีนี้ มันไหลไปสู่ความว่างร่างกายนี้ก็ไหล ไ, ไปสู่ความว่างแต่ว่าจิตมันก็ไหลไปสู่ความว่างอยู่ประจําเกิดดับว่างจากตัวตนนี่ถ้ามันมีปัญญาขึ้นมาแล้ว อ, อ๋อมันเกิดดับเ อ, อทําไมมันจึงเกิดดับเพราะมันไม่มีตัวตนดิมันว่างจากตัวตนตาเห็นเรียกว่าตาเกิดตาเลิกเห็นแล้วเรียกว่าตาดับนี่เรียกว่าเกิดดับ มันไม่เห็นตะลึงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยเป็นไปไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับตาเกิดตาดับที่รูปที่ตาเห็นรูปที่ตาเห็นมันก็เกิดดับเหมือนกันว่าสวยว่าใหม่สวยว่างามว่าไม่งามเกิดดับเหมือนกันรูปที่ตาเห็นก็เกิดดับทีนี้ก็เกิดตาเกิดตาดับรูปเกิด รูปดับเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วทีนี้นี่มันจะวัยมากเนาะจะวัยมากไม่ใช่เหมือนพูดอยู่อย่างนี้รูปเกิดตาเกิดตาดับรูปเกิดรูปดับแล้วขั้นที่สมก็คือจักกูวิญญาณคือความรู้สึกความรู้สึกว่าอะไรคือความรู้สึกที่รูปที่ตาเห็นนั่นแหละความรู้สึกความรู้สึกเรียกว่าจักกูวิญญาณ วิญญาณคือตัวความรู้จักปูวิญญาณคือความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางตาดับแต่แล้วก็ว่างจากตัวตนเห็นหมว่างว่างว่างว่างมันไม่มีอะไรทีนี้มันต้องว่างมาจากนู่นมันต้องว่างมาจากจิตจิตพิจรารณาพิจารณาจิตพิจาณาจิตว่าจิตนี้เกิดดับว่างจากตัวตน พอจิตเกิดดับว่างจากตัวตนออกมาข้างนอกทีนี้ออกมาทางตาตาเกิดดับว่างจากตัวตนตาดูรูปไอ้รูปที่ตาเห็นก็เกิดดับว่างจากตัวตนเกิดความรู้สึกความรู้สึกนั้นก็เกิดดับว่างจากตัวตนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีกอ่ะ3อย่างทำงานเป็นทีมเวริร์กตารูปจักกูวิญญาณถ้าให้เกิดผัดสา ปัิสาคือการกระทบการกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับสิ่งที่มาสัมผัสกายใจรู้ไปกระทบกับธรรมอารมณ์คือสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่เราคิดนั่นแหละนั่นนี้ไอ้สอย่างนี้คือเอาตัวอย่างตัวอย่างแสมเปิลก่อนแสมเปิลว่าตา รูปจักกูวิญญาณสาอย่างนี้ทํางานร่วมกันทาให้เกิดปัจจาร์คือการกระทบทาให้เกิดปัจจาร์พอเกิดปัจจาขึ้นมาปัจจาคือการกระทบแล้วตากระทบแล้วนี่เราจะไม่รู้สึกเลยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมะเเราจะไม่รู้สึกเลยตารูปจักกูวิญญาณสามอย่างทํางานร่วมกัน ถ้าไม่เกิดปัจจาร์ถ้าไม่เกิดปัจจาคือการกระทบเพราะปัจจาเป็นปัจใจโอ้ยเป็นปัจจัยเพราะปัจจาเป็นปัจจัยทําไม่เกิดเวทนาขึ้นมา <c oughs> ทีนี้เราต้องรู้เวทนาเนี่ยมันมีสามะที่เราอยู่กันสามสี่สิบคนนี้แหล ะ, ะตาเห็นพอเห็นแล้ว เกิดจากกูวิญญาณความรู้สึกต่างๆางอ้นี่ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนของเราคนนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนของเร า, เราดูมันยิ่งยิ่งหน้อยอ่าก็เลยเกิดนี่เป็นเพื่อนของเราเรารักเขาออไอคนนั้นดูที่ขนาดเดินกันแทกไลัลยกันแล้วยังไม่พูดเลยแล้วก็เกลียดคนนั้นนั่นคือทุกขเวทนาเงี้ยไหม เวทนาเวทนาเกิดแล้วเวทนาเกิดแล้วทีนี้สุกเวทนาเกิดดึงก็มาหาตัวดึงก็มาหาจิตของตัวเองพอทุกเวทนาเกิดออกไปออกไปออกไปปลักไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการเห็นหน้าแ ห, หมไม่อยากพบคนนี้เพาไม่อยากพบไปเดี๋ยวพบเดี๋ยวพบไดไ้นี่แหละ เขามาสอบไล่เราสอบไล่เราทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพูดประสบการณ์ให้ฟังอีกหลวงพ่อไปที่สำนักแม่ชีแม่จีอะไระที่ที่โนโนที่เมืองการไปสำนักแม่ชีที่เมืองการนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อตุดงตอนนั้นตุดงการตุดองของหลวงพ่อกระเป๋าใบหนึ่งใบเล็กๆ บาทในบาทก็มีบริการเรียบร้อยมีกรดมีล่มกรดมีอะไรต่ออะไรสบงกีวนสังคาติเรียบร้อยหมดเอาไปหลายที่ไปภาคตะวันออกามาภาคตะวันตกมาจนเท่านั้นก็ไปเมืองกาลเอาไปเจอแม่จีนี้แหละ ทำไมจึงไปหาแม่ชีนั้นหลวงพ่อปัญญาท่านโอ้แม่จีบงกฎนี่เก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินไปดูที่เก่งยังไงหลวงพ่อก็ไปดูเก่งยังไงไปตอนนั้นรถลอยข้ามแล้วข้ามแล้วก็ข้ามข้ามเรือไปพอข้ามเรือไปถึงก็เดินหน่อยพอถึงกำ น, นักงานที่ก็รับแขกก็มีแม่ชีคนรับแขก เขาขอใบจดที่เขาถามท่านบวชกับใครต่อบวชกับท่านอาจารย์พุทธาทาสแล้วท่านจะอยู่สักกี่วันพอตุดแล้วแต่คนเลยคนจะฉันอยู่กี่วันฉันก็อยู่เท่านั้นเยไม่จะทำนักฉันนี่เสร็จแล้วเป็นยังไงเขาก็บอกเออให้พระจี้ก็ไม่รู้ลืมแล้วตอนนั้นให้ไปพักพักที่ไหน พักที่ศาลาศาลาคนนี้แหละหนาวอย่างนี้คนจ้างหัวมันตายคนมันตายไปเถอะมันตายกับหนาวพักที่ศาลาหนาวหนาวหนาวหนาวหนาวนาวเส็จแล้วพอเจ้าแล้วเจ้าขึ้นมาเขาก็บอกว่าอ้ยไปบินตบาตบิณตบาตในวัดนี่แหละอ่าเขมีพระจีห้ารูปก็ไปบินตบาตไปบินตบาตก็มีแม่จีมี พวกนั้นใน้จีพรามอะไรพวกนั้นเขาใส่บาตรไอ้บาตรทีนี้เสร็จแล้วก็มีพระอนุโมทนาอออ๋อเราก็รู้เลยพระนี่ขนาดไหนเราก็รู้แล้วก็รู้แล้วรู้แต่เราไปอวดดีก็ไม่ได้รู้แล้วเราทําเป็นไม่รู้ไม่จี้ทำเป็นโง่ไอ้ทำเป็นโง่นี่ยแหละมันดีนะทําเป็นโง่นี่ยแหละมันดีเสร็จแล้วพอรับบาตรเสร็ ก็ให้ลูกศิษย์พาไปพักที่กุฏิแล้วย้ายแล้วที่นี่ย้ายแล้วย้ายกุฏิพอย้ายก็ไปอยู่ที่กุฏิไปอยู่ที่กุฏิก็เดินผ่านไปที่กลง้งภูเขามันจะมีไอ้ทีอ่อะไรที่เขาใส่เขาหวงชุยจะมีหวงซุยเป็นแถวโอ้หลวงพได้งานทําแล้วพรุ่งนี้ จะต้องออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วมาชักอนิจจาพวกนี้อย่ามันนอนเกรงอยู่นี่ทําไมอะไปเกิดจะไม่ดีกว่าเรย mm hmm. ก็เลยบอกพระบอกพระนี่ผมต้องไปก่อนคุณนะไปรับบาตรผมจะไปเจ็ดโมงคุณไปกี่แปดแล้วก็พอดีแลยอ่าก็มาตึกอ่าพอเจ้าก่อนมาชักอนิจจาว่าจะสังขารเราป่าเถื่อจะทำมีโนเสร็จแล้วก็บอกบอกว่าอย่ามันนอนอยู่นอนทําไม ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ก้าววัดก้าววาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ดีกว่ามานอนคว่ำงวงชู้ยอยู่ทำไมอ่ะไปพอไปถึงก็เจอแม่จีบงกตพอดีเลยเขาโอ้แก็ติดต้านก่อนนี่มอในนั่งที่ศาลานั่งคุยกันไม่ลงกันหลวงพ่อก็คุยเรื่องอานาปานสติ อานาันอานับนัดอันนัานัดสตีเฮ้ยกอดีว่าอันนิจนนจจ ต, ออนาตาานจานุปัตสีวิลากานุปัตสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัตสีไม่ลงกัดไม่ลงก็อย่าลงไม่เป็นไรอ้าวหลวงพ่อก็ไปสังเกตการไปเรื่อยๆสังเกตการไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปนี่อ๋อวันที่สองอีกตามอย่างนั้นอีกเอาเจออีกโอ้ยนี้ทํำมเจอกันท่านทุกวัน ยอมยอมจีบงกอดไว้ทาไม่เจอกับท่านตะ ว, วันเอา้าก็ทำบุญร่วมร่วมกันมาเมื่อต้องเจอดี่บอกก็อย่างนั้นเขาบอกเ้ า, า, านี่หาตัวยากนะแหมสำคัญเหลือเกินมันเก่งกว่าประไอ้ีนี้เป็นยังไงทีนี้ก็เลยหลวงพ่อก็ไปอีกไปรับบาทเจ็ดกลับกลับ ว, วันที่สามอย่างนั้นอีกทีนี้หลวงพ่อบอกได้ว่าจะอยู่สามวัน พอวันที่สามไปพอไปยาวไปที่นี้ไปที่ศาลาใหญ่ไปที่ศาลาใหญ่ก็มีแม่จีพระไม่มีมีหลวงพ่อรูปเดียวมีหลวงพ่อรูปเดียวเราก็ไปสังเกตการณก็ไปเดินจงกรมเดีไปดูเขาทาอะไรต่ออะไรทีนี้เขามีอะไรมีไอ้ไอ้ที่ครอบอะที่ที่ครอบพระาธาตุ ที่ครอบประทาศก็ส่งมาจากกรุงเทพเอแล้วก็มีประทาดยังไม่บรรจุในนั้นทีนี้ก็ถามโยมจีว่านี่ก็ทําอะไรอ่าโยมจีเมื่อเดี๋ยวคุณแม่เขาเรียวกว่าคุณแม่หลวงพ่อไม่เรียกว่าคุณแม่หรอกไม่เอาเดี๋ยวนีเ้เดี๋ยวคุณแม่จะมาเฉัดเดี๋ยวกาเรียกว่าฉัดคุณแม่จะมาเลยจะมายกฉัดโอ้ดีดีดีดีดีหลวงพ่อก็เดิน เดินรออยู่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาแม่ชีก็ประมาณทักสามสิบสามสิบทีนี้อุบาฏิกาบงกฎมาพอมาถึงก็มาไหว้ไหว้กับเสียไม่ได้นี่ใหร้กับเสียไม่ได้มาไหว้ก็เลยถามว่านี่โยมชีนี่ก็จะทำอะไรอิจันจะยกฉัดได้ฉัดนั้น ตามกับทองคําหนักเท่าไหร่กี่กี่บาทอมไม่ใช่บาทเลยไม่ใช่บาทละท่านยี่สิบห้ากิโลโอ้ได้อย่างนั้นก็ระวังนะไอเอ็มเอฟกำลังดังตอนเนี้ยว่าไปอย่างนั้นอางนั้นเออย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวยกจัดก็อยกกางเกนี้ไปหลวงพ่อจะนั่งให้เจยันโตเดีวพระวันนี้ไปไหนหมดละท่าน พราะวันนี้ไม่มียานยจะรู้ได้เลยใจ่เข้าไปนั้นเลยแต่แล้วก็นั่งใจยันโตคนเดียวง่ายใจอทีนี้พอนี่วันที่สามแล้วพอวันที่สามให้ลูกสิทธิ์ไปแล้วเอากาน้ําร้รอนไปเอาน้ำตาลไปอะไรไปไปติงก็บอกว่าอย่างน้นคุณแม่บอกว่าให้หลวงพ่ออยู่สักสี่สิบเก้าวัน เอบอกเขว่านี่หลวงพ่ออยู่ไม่ได้หลวงพ่อก็มีวัดหลวงพ่อตั้งใจว่าจะอยู่สิบวันอยู่สิบวันทีนี้ทำไมเพราะยังให้ เ, ออรเราอยู่ 4.9 วันจะเอาหลวงพ่อทาเครื่องมือแล้วหลวงพ่อรู้ทันแม่ชี้นี้่ะเอาพระเป็นเครื่องมือทีนี้พระที่ไปอยู่ไปอยู่นะที่ไปอยู่ที่นั้นกัพระรุ่นน้องรุ่นนั้นทางนั้นเลยแหละไม่ค่อยอะไรรึไม่ค่อยอะไร เก่งจริงเลยไปอยู่กับแม่ชีทําไมให้แม่ชีนั่งชีนิ้วอยู่เนี่ยไปเป็นเครื่องเป็นบริวารแม่ชียอยู่หลวพ่อไม่เอาหรอกตายคนเดียวดีกว่าไม่เอาอย่างนั้นทีนี้ก็จะให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏีข้างบน อ, อยู่เพราะมันเป็นสองชั้นแล้วก็ขึ้นบันเลยขึ้นอะไรไปใต้เต้าไปก็ลําบากก็เลยให้พระที่เป็นลูกศิษย์ชีนั่นให้พาขึ้นข้างบน พาไปดูนั้นดูนี้ดูอะไรหลวงพ่อไปดูหมดแล้ววันที่หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ไปดูหมดแล้วหลวงพ่อไม่ช้าหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเตศนงานศพนี่ไปวัดไหนของพ่อไม่นั่งไปดูดูดูดูดูดูซ่วมเป็นยังไงกุฏิเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงหลวงพ่อไปดูหมดข้อมูลที่เราจะต้องออกมาประยุกนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ มันเรียกว่าแม่ชีนะแม่ชีดูถูกพระเขาทําอะไรกิจกรรมของเขาเอาแต่เรื่องจิตเรื่องจิตที่เป็นสมาธินี่แหพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็มันมีพลังนี่พอมันมีพลังไม่ใช่พลังปัญญาพลังสมาธิเอาเป็นพลังสมาธิมันเกิดชานเกิดชานนี่เนะเอามาเอามาโอ้แม่ชีอ่โยอคุณแม่ก็เรียกคุณแม่คุณแม่ ที่ฉันกําลังขายที่ดินขายไม่ได้ไม่ชีก็เอาโฉนดมาที่ฉันจะเหยียบให้พอเหยียบแล้วก็หุ้นกันที่ทีนี้พอขายได้เท่าไรแม่ชีก็ได้ไปได้ไปนี่ก็ทําอยู่อย่างนั้นเออนี่ก็ ท, ทําธุรกิจกันนี่ตามอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็คือแม่ชีที่อยู่ในนั้นถูกมัดหมดเพราะใจกับจิตก็สูงกว่าจิตก็สูงกว่าพอสูงกว่าก็ใช้มัดคนนั้นคนนี้คนโน้น นีมีโยมคนหนึ่งโยมจีคนหนึ่งอยู่สงขลาเขาได้โยมอยู่ไหนอยู่สงขลาอยู่วัดปากฝางแล้วมาอยู่ทำไมอมาอยู่จําเนนี้ก็ใจกระเสจิตมัดทั้งนั้นนะที่วัดนี้ไม่รู้จะมั่งเหงื่นี่ทั้งหมดนี้แหละไม่รู้เรื่องกันเลยเดี๋ยวนี้แกก็กลับแล้วไม่อยู่แล้วทีนี้พอถึงวันที่คืนที่สิบที่หลวงพ่อจะกลับไม่ชีเอาเรื่องแล้วที่นี้เอาเรื่อง ส่งกระแสจิตมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อรู้รู้หลวงพ่อรู้หลวงพ่อต้านมาเลย ท, ที่พี่โ ว, ว่าวะตัวทูปตีปโนทรวดไปทวดครึ่งหนึ่งหลับครึ่งหนึ่งทำอยู่อย่างนั้นทวดทรวดทรวทวทวทวทวดม่จี้หรือจะมาสู้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ที่นี่ทำยังไงทรวดจนก ร, าาทระทั่งประมาณตีสามพอตีสามแล้วก็ มาแล้วทีนี้มาเป็นยังไงทีนี้ไม่ใช่เมสีแล้วไอ้พวกโน้ตเนี่ยไอ้พวกที่หลวงพ่อไปอนิจจาว่าแต่สังขาราจนครบแล้วเพราะทำครบแล้วพอทำครบแล้ววันที่สิบนันทีนี้ก็มามาถึงก็เป็นเหมือนโจโตระทัดอย่างนี้ก็เขียนภาษาไทยงอนกงูงอนกงูแล้วก็รวอ ตัวกอไก่ง่วงอ๋อต้องงองงูงองงอ ง, ององนกงูวอแหวนงองงูง่วงแล้วต้องงองูอีกงอนกงูอีกตัวหนึ่งแล้วก็สละอะง่วงงะเนี่ยแนว่ง่วงงะ อ, อะไรง่วงงะหลวงพว่อก็เอาปากกามาเขียนเลยคือหลวงพ่อนี่จะมีปากกาอยู่ใกล้ๆกล้มี แต่ที่เขียนน่ยจะอยู่ใกลๆ้ๆถ้าไม่มีอะไรกว็อดขวามือเลยถ้ามีอย่างนั้นนี่หนังสือที่เขียนเขียนเขียนเขียนถ้าหนังสือที่หลวงพ่อเขียนนี่หลวงพ่อจะตั้งสมหมดวางเอาไว้ก่อนปากกาวางเอาไว้ก่อนแล้วหลวงพ่อปฏิบัติไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปเทศอะไรที่ไหนก็ก็ปฏิบัติทำมาเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปลุดเดียวเขียน เขียนหน้าสองหน้าหน้าสองหน้านี่ตอนนี้เขากําลังเอาต้นฉบับไปพิมพ์อยู่ที่โรงพิมพ์อมรินเขาเปิดพบเปิดพบในเว็บไซต์เ้า ก, ก็โดดไปแต่นี่ไอ้งวงงานี่หลวงพ่อขรือเอาปากกามาเขียนในขว่ามือก็เขียนในขวามือเสร็จแล้วเชาว้าก็ถามก็าดิถามวตอนจะไปบินทบาตเห็ในไกลหน้าจีนจีนเราก็ถาม คำนี้อะไรเขาบอกว่า ง, งานนี้อะไรเขาก็ถามว่าเลือกชื่ออะไรมันเป็นจื่อละาเนื้อชื่ออะไรบอกไม่ใช่นี่เมื่อเกินชันอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้ว่าจะย้ายบ้านไม่ชาติเราก็ไม่บอกเขาไม่ใช่ทีนี้อา้าวไอ้ค น, นอีกถามอีกถามก็ถามเขาก็บอกว่า จะมีแฟนใหม่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไม่ใช่ใหญ่ทีนี้ก็ขึ้นรถควายถึงเวลาไปขึ้นรถควายอตอนลงอ่ะลงคนเดียวพอตอนขึ้นรถควายนี่ไปเป็นแถวแล้วระไปช่วยยิ้วกระเป๋าอะไรนี่บุญที่เราทํานั่นแหละอะเสร็จแล้วก็ไปนั่งจ่อหน้ากับคนจีนคนหนึ่งเข้าที่นั่งมันตรงกันก็ ยมขออภัยเถอไม่ใช่เพราะยมเป็นคนจีนหรือคนไทยผมพ่อแม่มาจากจีนทางนั้นเออแล้วหลวงพ่ออยากจะรู้ว่าคํานี้แหละมันแปลว่าอะไรงวงงะนี่แปลว่าอะไรตอนนั้นก็ตามเป็นร้านขายของหรือว่าอะไรเป็นป้ายหรือว่าเป็นอะไรว่าไม่ใช่นี่หลวงพ่อถาอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันออกมาอย่างนี้เพราะว่าอ๋อก็จะไปเกิดใหม่ แล้ ว, ว่าเกิดใหม่โอ้คุณถูกถูกถูกถูกถูกนี่คุณแปลถูกตรงตัวเลยก็คือจิตวิญญาณ น, นั้นบอกว่าจะไปเกิดใหม่แต่ของใครก็ไม่รู้เพราะมันหลายคนสิญาตจิตนู่นทั้งหมดจะไปเกิดใหม่แล้วนี่คือการยกจิตขึ้นสูงวิปัสสนาจิตที่เป็นสมาธิแล้ว ยกขึ้นสวิปัญนาพอยกขึ้นสวิปัสนาอะไรมันออกมาเป็นปริศนาธรรมแล้วก็รู้ทันทีเลยมันจะรู้ทันทีเลยเพราะเรายกจิตขึ้นสูวิปัญนาวิปัสนาก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นใครที่ทำจิตถึงระดับนี้ถึงระดับนี้เรายกจิตขึ้นสูวนนส่วิปัญนาการยกจิตขึ้นสวิปัญนาก็คือให้เห็นอนิจจัง เนี่จะเห็นนิจจังไอ้ที่เราเห็นนิจจังนิจจังนิจจังเห็นเป็นของเที่ยงบดผิดนั่นแหละคือผิดเห็นด้วยจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาแต่ถ้าเห็นด้วยจิตที่ประกอบด้วยเอาด้วยวิชชาถ้าเห็นด้วยจิตที่มีวิชชาและก็มีปัญญานั่นคืออนิจจังเห็นอนิจจังเพราะฉะนั้นทุกอย่างไหลเรื่อยนี่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ มันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยไหลเลื่อยมีแต่ไหลเรื่อยไม่มีอะไรอยู่กับที่โลกนี้มันก็ไหลเลื่อยทุกสิ่งทุกอย่างสประสิทธ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยทีนี้พอเราจิตจิตตัวนี้แหละเป็นวิปัสนาเป็นปัญญาอ่าเป็นจิตวิชาขึ้นมาแล้วเป็นจิตวิชาเป็นจิตวิชาเสรแล้จิตมันมีทางออก ทางออกของมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทางออกของจิต ก, ก็ออกทางเดียวกันแล้วแต่ว่าออกไม่เหมือนกันแล้วออกจิตที่ประกอบด้วยอาวิชาออกด้วยความเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นออกด้วยความโง่ความโงม่มันไหลไปมันไหลไปทีนี้้าจิตนี้ฉลาดมีวิชามีปัญญาทีนี้เสร็จ แ, แล้วก็ออกทางตา เพราะจิตเห็นว <Coalition> <yeah. S 2> ่าจ <ation> ิตเกิดดับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนีนี้เห็นจิตเกิดดับว่างจากตัวตนออกไปต่างตาตาก็เกิดดับว่างจากตัวตนแล้รูปที่ตาเห็นก็เกิดดับว่างจากตัวตนจักกูวิญญาณคือความรู้สึกต่างๆเกิดดับประว่างจากตัวตนทีนี้ทําให้เกิดปัดสากัดสาคือการกระทุกประเกิดดับว่างจากตัวตน เ่อเกิดปัสสาวะรสิ่งที่จะตามมาคือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุกมสุขเวทนาสุขเวทนาดึงกรมหาจิตทุกขเวทนาผลักออกอัตุกรรมสุขเวทนาโงโงโงโงโ ง, โ ง, โ ง, โงโอยู่คนนี้ไม่รู้ใครแกนั้นน่แกนั้นยังโง่ทีนี้ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นกะเทยหรือเป็นอะไร งโงอยู่อย่างนั้นโง่โงอย่างนั้นทีนี้ตาสมณะเราไปเจอกระเทยโอ้แต่งตัวสวยเรียบร้อยเป็นผู้หญิงตาปากตาแก้มตาคิ้วตาโนนท่านี้เดี๋ยวควงเสียงก็หน่อยแป๊บเดียวเอ้าอันนี้มันกระเทยกระเทยเก็รู้นี่เรียกว่าสังเกตสังเกตเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนั้นนยพวกแอออสเตรเลีกระเทยเยอะเลยเดี๋ยวเจอเกือบทุกลำเลย พวกกระเทยเอาทีนี้นี่เรียกว่าเวทนาเวทนาเวทนาสุขก็คือเวทนาทุกก็คือเวทนาอทุกกรมสุขก็คือเวทนาเหมือนกันสมอย่างเหมือนกันทุกเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนทุกเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนอทุกกรมสุขเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตน ว่างจากตัวตนดังนั้นทีนี้เราไม่เห็นว่างจากตัวตนทีทีนี้พอ ป, ป, ปึ๊บก็ไปมันพอใจมันคือมันไหลไหลเร็วมากพอปึ๊บ ก, ก็พอเห็นอย่างนี้มันไปจับที่เวทนาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มียนวิตจายตาเววเสจวิลากณนิโรตนนี่เพราะการจางรังกลายเราจะไม่ได้ตัวนี้จาไม่ได้ พอไปถึงเวทนาแล้วต้องดับถ้าไม่ดับแล้วมันจะไปลงที่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้ารู้กับเวทนาเราชอบเราพยายามที่จะดึงเข้ามาดึงเขามาไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอะไรจะดึงเขามาเนี่ยเพราะความดับไปเพราะความดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือเราว่าเพราะความจางคลายใ่จางคลายเข้าไปด้วย เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือคือเวทนาเนี่ยมันดับไปพอเราไปถึงตรงนั้นเรามีสติสติก็ดึงปัญญามาพอไปถึงจุดนั้นสติดึงปัญญามาเพราะสติดึงปัญญามาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือตัณหาจึงดับตัณหามันจะดับเราเอาทันที่ตรงนั้นเราเอาทัน แต่ถ้าหากว่าพอเห็นแล้วโอ้ยคนนี้รู้สึกว่าน่าจะไปกันได้ก็เลยไปจีบเขาไปจีบหรือไปทำความรู้จักเขาไปพอใจเขาอะไรเขาอย่างนี้นี่เรื่องของคนนี่มันเกิดตัณหาทีนนะถ้าเป็นวัตถุมันก็ยากเรื่องของคนก็ยากเรื่องของวัตถุก็ยากทีอจากเวทนาก็ไปเป็นตัณหาไปเป็นตัณหาก็ไปเป็นตัณหา เป็นอุปาทานเพราะตนาเป็นปัจจัยตามไม่เกิด อ, อุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่นกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐูปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นสีลปตูปาทานกามุปาทานทิฏฐูปาทานสีลปตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีนพลพรรับศีล ไม่มีศีลจากข้อเลยเพราะอะไรรับศีลแต่ว่าอุปาทานศีลรับศีลด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่เขาเรียกว่าอุปาทานศีลอ้าวันีไปแล้วรับศีลแล้ววันพระไม่ได้อะไรรับศีลแต่ต้องต้องอะไรสมาทานต้องสมาทานศีลรับศีลก็คือสมาทานศี การสมาทานศีลรั้วปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ทําอะไรจึงไม่ฆ่าล่ะเพราะเรามีเมตตาเพราะเรามีปัญญาเพราะเรามีสติเห็นไหมเราจึงไม่ฆ่าทีนี้ถ้าเราไม่มีเมตตาล่ะเราก็ฆ่าสิถ้าเรามีเมตตาเออเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตเขาก็มีครอบครัวเราก็มีครอบครัวปัญญา ต้องมีปัญญามาก่อนถ้าไม่มีปัญญารับศินไม่มีศินจากข้อหนึ่งข้อไหนๆก็เหมือนกันต้องมีสัมมาหมดธรรมาวาจาธรมกมกรรมตัฏฐธรรมาอาชีวะธรรมาวาจาวาจาชอบไม่ใช่ว่าเขาพูดดีแล้วเราไปชอบหลวงพ่อ น, นี่ไม่ได้พูดดีเลยพูดตรงไปตรงมาคนที่ไม่ชอบก็มีพระอะไรพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้เอา้า ก็พระอย่างนี้เลยจะไปพูดยังไงอ่ะพระตรงนี่พระตรงก็ต้องพูดตรงๆดิไปใจพูดแล้วยังไงพูดรู้กุญยมแหมสวยเหลือเกินนะ ใ, นใจก็บุญสุนทานเห็นไหมเห็นแล้วโยโมหลวงพ่อหนูจะทำบุญล่วงกระเป๋าโยมแล้วพูดล่วงกระเป๋าพูดอย่างนั้นอนะ่ะพูดร่วมกระเป๋าของพ่อไม่เอา ไม่ออกไม่ล่วงไม่ล่วงกระเป๋าหรอกพูดพูดไอ้เขาดับทุกได้ทอย่างไงอ่ะพูดไอ้เขาดับทุกได้ไอ้ล่วงกระเป๋ามันไม่ยากหรอกขึ้นไปบนเขากับโยมดำนี่อไปถึงไปร้านอาหารนั้นคนเขาบอกว่าไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งเราได้โยมมาจากไหนอะมาจากกรุงเทพเออไม่มีที่นั่งเราก็ไปร้านอื่นโยมก็ล่วงกระเป๋าแล้วพูดแค่นี้เองหม ล่วงมาพันกว่าจะไปจันอาหารยังไม่ได้จัดเลยได้เงินแล้วเห็นไหมนี่ไม่ได้พูดล่วงกระเปล่านี่เขาศรัท ธ, ธาเขาศรัท ธ, ธาเองเขาเห็นเนี่ยเขาศรัท ธ, ธาคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาก็ เ, าเห็นก็เมินพระอะไรก็ไม่รู้เอาพระนี้พระอะไระพระ น, นี่พูดตรงไปตรงมาทัางนั้นไม่ อ, มอ้อมค้อไม่ อ, มอ้อมค้อพูดตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นต้องพูดอะไรตรงไปตรงมาเรียกว่ามีสัจจะต้องมีสัจจะศีลพ่อโมทสานั่นแหละคื่อต้องแก้ด้วยการมีสัจจะไม่มีสัจจะไม่ได้ต้องมีสัจจะทั้งนั้นทีนี้เรื่องของของนี้แหละว่าวเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัญหาก็คือทำให้เกิดความอยากขึ้นมา อยากเอาอยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้พอไม่ได้ก็อยากตายอยากกันทางนั้นเลย อ, อยากทางนั้นเลอเอยอะไรราชการน้อยๆก็อยากจะขั้นสองขั้นกราชการสี่สิบสีอะไรก็อนโอยเป็นผู้วา่าวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งกลายเป็นนักวิ่งเลกลายเป็นนักวิ่งเรียกว่าอยากทางนั้นอนีนี้ตั้งหามันดำไปนี่เลยบอก การเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าถ้ามันได้คุณก็เป็นไปแล้วถ้ามันไม่ได้อย่าไปเสียใจไปอยากมันทำาม่เป็นแค่นี้ก็บุญโขแล้วทีนี้ถามวา่าการเป็นผู้ว่ากับพระโสดาบันคุณนอาไหนบอกว่าเอาผู้ว่าเออทําทไมผู้ว่าคุณเหลือเวลาสองสามปีแล้ว พอปลดจากผู้ว่าคุณเป็นอะไรอะเพื่อนก็ไม่ตามหลังแล้วเห็นไหมเพื่อนก็ไม่ตามหลังแล้วพอปรดไปจะใช่อะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นพระโสดาบันยิ่งกว่าพระเจ้าจักตพัทธเจียนี่เห็นไหมทำเมยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอีนี้ถ้าคนที่ฉลาดหน่อยก็ว่า เอาท yeah> yani ั้งสองอย่างนีของพ่อกูว่าก่อนพระโสดาบันก่อนเอาทางนั้นเอาเป็นสองอย่างเลยถ้ามันดีเลยตาเอาสองอย่างอย่างนั้นเศรษฐีก็เป็นนะอาณาถาเป็นอาณาถาบินิกาเศรษฐีแกก็นาอุวิสาขาอุบาสิกานันเป็นพระโสดาบันทางนั้นแหละมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งลูกมีทั้งหลานมีทั้งเหลียเต็ม เป็นพระโสดาบัตเห็นไหมทรัพย์สมบัติก็มีอะไรก็มีมีหมดมีหมดพระสดาบัตยิ่งกว่าได้ยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้อีกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดูพระเจ้าโศกที่พระพระเจ้าโศกมหาราตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วฆ่ากันเป็นว่าเล่น ก็จ่าโจา ก, ก็ไปดูดูดูโอยศพนอนกายเป็นกองเลยสังเวทเลิกแล้วล้างมือติ้งดับไม่เอาแล้วข้าววัดนุ่งขาวอมขาวทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมสร้างเ้าอาโศก45ต้นทั่วประเทศอินเดีย เราอาจจะทำเป็นตะกัดยิ้นตะกัดยิ้นยิ้นยินยิ้นินทั้ น, น, น, น, น, นั้นเลยแต่นไหมนี่ต้องอาศัยธรรมะอาศัยอย่างอื่นมันไม่ได้หรอกแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดินี่ต้องอาศัยธรรมะทั้งนั้นเขามีป่าพริศนารมว่าเสือยังดื่มน้ําเลยเสือยังดื่มน้ําเลยสัดทุกประเภทไม่ว่าเป็นเสือไม่ว่าเป็นช้างไม่ว่าเป็นราชสี ิึงโตอะไรโตอะไรต้องดื่มน้ำทางนั้นเพราะจากนั้นใครจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเป็นพระจามาคตจัดเป็นจักรพรรดิก็ยังต้องดื่มน้ำน้ำคือพระธรรมพระธรรมพระธรรมที่ใครดื่ม้าไปแล้วสงบเย็นสงบเย็นมันทำให้ระงับได้ที่หลวงพ่อพูดอย่เรื่องต่าง ๆ, ๆจนกระทั่งว่า เรื่องอะไรเรื่องของการเกิดดับว่างจากตัวตนถ้าจิตเราเห็นจิตเกิดดับว่างจากตัวตนเราเห็นตาเกิดดับว่างจากตัวตนเห็นรูปเกิดดับว่างจากตัวตนจกัก้วิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนปัจจาะเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนเพราะ Creation, ความจางกลายดับไป โดยไม่มีเหลือตัณหาจึงดับนี่เพราะเห็นตบทวนข้างหลังเห็นตั้งแต่จิตเกิดดับจนมาถึงเวทนาเกิดดับพอเห็นเกิดแล้วจะไปย่ออะไรมันเดีแล้วมันจะกลายพันธ์ทีนี้ถ้าไม่เห็นเกิดดับพอไปถึงตรงนั้นะกลายพันธกลายพันธ์กิเลสกลายพันธ์แล้วกลายพันธ์เป็นตัณหาทีนี้พอเป็นตัณหาก็อยากเอาอยากได้อยากมีอยากเป็น พอไม่ได้ดังยากตายดีกว่ากูเป็นยังไงน้ําท่วมก่อน้ําท่วมที่กรุงเทพน้ําท่วมบ้านน้ําท่วมบ้านของเงินต้องก็ใส่ที่เตียงนอนตรงนั่นตรงนี้ยายก็ไปยบได้แล้วน้ํามันจะท่วมไม่อย่งไงยังไงยายก็ไม่ไปไปยังไงโอปปาทานความยึดมั่นถือมัน ใสเงินใสตองไว้ในลูเตียงนู่นเห็นไหมไม่ไปน่ะก็อยู่จนตายอยู่ที่ตรงนั้นนี่ยึดมั่นถือมัน่นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นในกามวัตถุกามกิเลสกามยึดมั่นถือมัน่นในชื่อเสียงและแเสร็จแล้วก็ไม่ได้สมปรารถนายึดมั่นถือมั่นในความตายผู้ข้อตายเลย ผูกคอตายไปไดเลยจบหลเกิดมาชาติหนึ่งได้อะไรบ้างไม่ดูที่แต่ใครคิดจะผูกคอตายคิดจะกินยาตายแล้วหมายังไม่ผูกคอตายเลยนี่คนเก่งที่ตรงไหนเก่งที่ตรงไหนอะคนนี่ดูดิหมายังเก่งกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องว่ามันอย่างนั้นไอเ้เจ็บเจ็บไอ้เจ็บแสบเล ย, ยถ้าอย่างนี้กฆ้าตัวตายดีกว่า หมายังไม่กล้าตัวตายเลยทียนี้ถ้าไปคิดว่าโออยู่ไปทำม้อยไม่มีอะไรกินหน่อยหมามันอดตายไหมไม่เห็นหมาตัวไหน อ, อดตายสักทีหนึ่งมันก็กินนั่นกินนี้มันก็มีกินจนได้มะลวนพี่สมบูรณ์ถ้าเป็นหมาที่ไฮโซหน่อยมันก็มีระดับมีระดับเสร็จแล้วมันก็เชื่อความดีอะไรดีมันก็ไม่ดื้อไม่ดึงนี่หลวงพ่อกลับไปวัดนี่ย เลี้ยงหมาไวสี่ตัวสี่ตัวก็ไม่เอาหรอกหมาที่ตัวโตๆกคคลัวตอนนี้ก็เอาแค่ธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นหมาพันเล็กๆหมาพันเล็กๆหมาอังกฤษหมาไอ้ดาราอะไนะรพวกนั้นเลี้ยงตัวเล็กๆก็ไม่เคยให้มันอดอาหารขานมหลวงพ่อไม่ค่อยจัดเอาไปก็ให้หมาให้หมาให้หม า, หม า, หมาเปิดประตูเกรกไม่ได้เพราเปิดประตูเกรกมากันแล้ว มากัแล้วจะมากินขนมอตอนเช้านี่ตอนก่อนจะมาอยเด็กชื่อไก่เอาไว้ตัวหนึ่งตัวไก่ตัวหนึ่งก็กินสี่ตัวนี่จะกินได้เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเลี้ยงอเลี้ยงหมาคนก็เลี้ยงหมาก็เลี้ยงเลี้ยงทางนั้นนี่เรียกว่าเรามีใจเมตตาต้นไม้ก็ปลูกปลูกปลูกปลูกลูเต็มวัดเต็มวาแล้ว ยมบอกว่านี่เอาต้นไม้นี้ไปปลูกเลยฉันไม่มีที่ปลูกแล้วดินจันหมดแล้วจะแปดไรน่นี่หมดแล้วเนี่ไม่มีที่เสียบเข็มแล้วนี่ต้นไม้ก้าวไปถึงก็สงบเย็นเห็นไหมนี่คือที่พูดว่าความสงบเย็นนี่มันเกิดที่ตรงไหนเมื่อตัณหาดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นดับความยึดมั่นถือมั่นดับคืออุปท า, านพบ คือความยึดมั่นถือมั่นมันจะมาอยู่ที่ตรงไหนที่ในจิตของเราน่ยความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับว่าคนมีคันเหมือนคนมีกันพอยึดมั่นถือมั่นตัปาะานเนี่ยตาให้เกิดพบกรมมาพบก็ดีรูปมาพบก็ดีอารูป์มาพบก็ดีพบแปลว่าต้องเที่ยวไปต้องเที่ยวไปพอครอดพอมันตั้งกันอะไรแล้วก็คลอดตั้งกันอะไแล้วก็ครอด แต่มันคลอดเร็วมันกลอดเร็วเฮ้ลูกสิ์คนหนึง่งทำงานเป็นหัวหน้าตัวมาจากห้องกองหมาเกากลับมาลงที่ทรวนาปูเสร็จแล้วโตยที่หลวงพอ่อหลวงพ่อเกือบตายเป็นยังไงอ่ะเครื่องบินลงแล้วลงแล้วจะถึงพื้นแล้วป๊ บ, ป บ, ป บ, ปบลงไม่ได้สั่นทั้งลําเลย อ้าวเคลืนไปอยู่อย่างนั้นวิทวัดกันทั้งลำเลยพอทำยังไงก็ท้องภาวนาไปดิไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ้ามันช้าไปหน่อยว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างก็คือว่างจากตัวกูนั่นแหละว่างจากตัวกูเลยว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างมันก็ไม่กลัวตายเดี๋ยมันไม่มีกูแล้วมันจะไปเอาอะไรไปกลัวน่ะนี่แต่อย่างนั้นเนี่ย นี่เรียกว่าเรามีเครื่องป้องกันเอ็นี้ไอตอนที่อย่างนั้นเลยพอเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมันว่ากูจะตายเครื่องบินตกมันก็เกิดพบขึ้นมามันเกิดพบขึ้นมามนเกิดพบขึ้นมาแล้วมันคลอดออกมามันเกิดคลอดเกิดคลอดเกิดคลอดเกิดคลอดคือมันมัตั้งคารเลยคลอดตั้งการแลยคลอดตั้งคารเลยคลอดในขณะนั้นมันจะคลอดเร็วมากตั้งการเร็วมากเร็วมากในตอนนั้น เหมือนกับงูที่มันข่ออกมาปุ yeah. well j ank j ank j ank no ๊บปุ๊บปุ๊อย่างนั้นเองเนี่ยเพราะอุปาทานเนี่ยก็เป็นเพราะเป็นเพราะเป็นชาติเป็นชาติหรือเป็นทุกข์มันก็เลยอยู่ที่ทุกข์ทุกข์ทุกทุกขุกขมันภาวนาอะไรมันภาวนาว่าทุกข์ทุกๆ์ทุกข์ทุกขไปภาวนาอะไรมันไม่มีกูแล้วอะไรไปทุกข์อ่ะมันไม่มีกูก็เลยว่างที่ว่างจากกูว่างจากกูไม่ต้องเอาสามตัวว่างว่างว่างว่างว่าง เอาว่างตัวเดียวพอว่างตัวเดียวพอนี่คือว่างว่างว่างจากตัวตนทีนี้พอว่างจากตัวตนทางตาพอออกมาจางจิตออกมาทางตาก็ว่างจากตัวตนออกมาทางหูก็ว่างจากตัวตนออกมาทางจากมูกก็ว่างจากตัวตนออกมาทางลิ้นก็ว่างจากตัวตนออกมาทางกายก็ว่างจากตัวตนออกมาทางใจก็ว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนหมดไม่เหลือ ทีนี้พอว่างจากตัวตนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็ว่างภายนอกก็ว่างเห็นว่างหมดทุกอย่างในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันเป็นสุญญาตามันว่างจากตัวตนพอเห็นว่างจากตัวตนแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วตายก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อเวลาขึ้นเครื่องก่ มัตายก็ตายไปเลยจังหัวมันอย่าไปกลัวมันไปกลัวมันทําไมบางคนบอกขึ้นเครื่องแเปมความสูงอันนั้นอันนีุ้ยแเปมทําไมความสูงเราไม่ได้ขึ้นจากนิดนึงเครื่องหนะมันขึ้นเราไปกลัวทําไมสนี่เรียกว่าต้องว่างเอาไว้ครับตาหูจมูกเล่นกายใจเอมันว่างมาจากจิตเราไอ้ห้าอกอย่างนี้มันก็ว่างหมดว่างหมดพอมันว่างว่างว่างว่า ว่างจนได้ที่แล้วต่อไปเพราะมันไม่ต้องเหนื่อยแล้วคือมันไม่ต้องปรุงแต่งแล้วว่ากูตายกูไม่ตายกูอยู่กูไปมันไม่มีกูแล้วพอไม่มีกูแล้วมันสงบทีนี้จิตจะอยู่กับความสงบจะอยู่กับความสงบมันไม่ อ, อะไรแล้วมันจะอยู่สงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบอะไรสงบหมดนี่คือความสงบไม่ใช่ความเงียบ ความสงบที่มีอยู่ก่อนจั ก, กรวาลอีกมีอยู่ก่อนโลกมีอยู่ก่อนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมีอยู่ก่อนหมดนั่นเนี่ยคือตัวสิ่สติปัญญาเดิมคือความสงบเย็นทให้รรจิตสงบเย็นพอจิตอยู่กับความสงบเย็นอย่างนี้แล้วนี่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับธรรมชาติคือจิตตัวนั้น จิตตัวนั้นเรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานนี่เรียกว่านิพพานเพระาะฉะนั้นตอนคำเกินนี้ค่อยว่ากันต่ อ, อตั้งใจให้ดีดเดี๋ยวจะกวังไม่ถูกแล้วมาโทษหลวงพ่ออีกนะไม่ได้ต้องควังให้ถูกถ้าค ว, วังไม่ถูกก็ไปพิจารณ า, าไปคิดไปนึกให้ดีๆแล้วก็วิจัยไปมันมีครบทุกอย่างแล้วที่ร่างกายที่จิตใจของเรานี้ ฉะนั้นไปทำไปทําเสียมีหน้าที่อย่างเดียวคือภาวนาไม่ใจกู้ไม่ใจกู้ไม่ใจกู้ไม่ใจกู้วันหนึ่งก็จะเห็นความว่างก็เห็นความว่างเห็นเน้เน้นเนเน้นเนจนเห็นหมดพอว่างหมดแล้วก็ปล่อยวางหมดไม่อะไรทางนั้นไม่อะไรทางนั้นจิตก็เลยโยกับความสงบนั่นคือไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องตายแล้วอามตายอี่ที่ตรงนั้น เอาค่อยว่ากันต่อตอนข่ําคืนต่อไปขอความสุขความเจริญจงเกิดมีกับญาติโยมจงทุกทุกท่านเจรอ